เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตฝ่ายทางทุกท่านวันนี้เราก็ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อได้มาสนทนาถามตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติทางด้านฐานศีลภาวนาใครมีความสงสัยมีความต้องการจะถามคำถามก็เชิญเข้ามาได้ใครเข้ามาก่อนก็ได้พูดก่อนใครเข้ามาหลังก็ได้พูดทีหลัง ต้องว่าไปตามผิววันแรกคือ น, นี้ก็คือคุณหมอพิเชษกับนมัสการพระอาจารย์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายข้อสอบชีวิตของพวกเราทุกคนครับอาจารย์เรื่องข้อสอบชีวิตือก็คือความแก่ความเจ็บความตายนั่นเองที่เป็นข้อสอบเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรา ยังทุกกับมันอยู่มันยังเป็นปัญหาอยู่เวลาเราแก่เราเจ็บเราไม่สบายเราจะตายนี่เราจะมีความรู้สึกทุกข์มากแต่ความทุกข์นี้สามารถที่เราสามารถจัดจัดมันได้ถ้าเรามีพระพุทธศาสนามีคามําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าพูดไดค้นพบทางสู่การดับทุกข์เวลาที่ ต้องประสบกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายอุติยาวสอนวิธีการที่เราจะสามารถผ่านข้อสอบนี้ไปได้เราต้องมีเครื่องมือเริ่ต้นก็ต้องมีศีเพราะว่าถ้าไม่มีศีนี่ใจเราจะไปยุ่งกับเรื่องเหมือนเสมอ ไปฆ่าสัตว์ไปลักทัพย์ไปทำผิดประเพณีอะไรย่างๆหรือถ้าซื้อสินแปลก ก, ก็จะได้ไม่ไปยุ่งกับเรื่องการหาความสุขทางตาของจมูกร่งกายก็ที่จะได้เอาเวลามาสร้างเครื่องมือที่สำคัญอยู่สองสามข้อสามเครื่องมือใหญ่ๆก็คือสติ เพื่อได้สมาธิไม่ได้สมาธิแล้วก็ได้ไปสร้างปัญญาต่ออี่คือเครื่อมือที่เราจะต้องสร้างกันถ้าเราไม่มีเวลาถ้าเราไปทําบาปหรือ ไ, ไปทำกิจกรรมทางทางรูปเสียงขิดโนเราก็จะไม่มีเวลามาสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาเราจะต้อง มีมีเสีเงยกรวมว่าถ้าเรามีสมาธิแล้วนี่ทำมาก่อนจากชาติก่อนอันนี้จะมาถึงสียงหรืไม่ถึงสียมันก็ไม่ไม่เป็นสัญหาแต่ ถ, ถ้าไม่มีสมาธิมาก่อนไม่มีอุบเบกขามาก่อนก็ต้องมาสร้างสติสร้างสมาธิสร้างอุบเบกขาให้เกิดขึ้นก่อน การจะสร้างสติสร้างสมาธิสร้างองค์ประกอบนี้ต้องมีเวลาให้กับการปฏิบัติแะต้องมีที่ที่สงบห่างไกลจากบุกคคลและเหตุการณ์ต่างๆที่จะมาคอยชุดร่างให้ใจ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไปเกี่ยวขันด้วยจะไม่สามารถเปิดตัวออกมาให้กับการปฏิบัติได้ ต้องไปอยู่ที่ไม่มีการรับรู้เรื่องราตวต่างๆเช่นอยู่ตามวัดป่าวัดเขาอยู่ตามลาพังไม่ติดต่อสื่อสารกับใครเวลาสื่อสารเดียวเรื่องก็เข้ามาพอได้ยินเรื่องใจก็อ่อนไหวคนนั้นเป็นอะไรก็ต้องไปจัดการเป็นักันต้องเปรียบไม่เวะ การสร้างสติสร้างสมาธินี้ต้องมีเวลาและต้องมีสถานที่ที่เพื่อทำการสร้างคือที่ที่ไม่มีเรื่องราววุ่นวายต่างๆมันต้องควรใจพอเราไปอยู่ที่เหล่านั้นแล้วเราก็ต้องมีความเพียรพยายามสร้างเริ่สติสติก็คือการใช้สติก็คือเบรกของใจ ต้องการให้ใจนิ่งสงบมีอุเบกขามีพลังนิ่งเราก็ต้องมีตัวเบรกถ้าไม่มีเบรกก็เหมือนรอยนต์ที่มันถ้าวิ่งแล้วมันก็ไม่หยุดนถึงสี่แรไปแรงอยให้มันหยุดมันก็ไม่หยุดถ้าไม่มีเบรกแล้วการหยุดหยุดความคิดหยุดการทำงานของจิตเราก็ต้องมีสติการจะมีสติก็ต้อง ใช้แนวของกรรมฐานหรือใช้กรรมฐานเป็นอารมณ์กรรมฐานนี่พระเจ้าแสดงไว้มีสี่สิบอสี่สิบกรรมฐานที่เราสามารถเลือกเอามาใช้ให้เป็นเครื่องปลุกใจให้มีสติไม่ให้ลอยไปลอยมาให้สั้งมันให้หยุดคิดที่เราปฏิบัติกันส่วนใหญ่เราก็จะใช้สองอย่างสองสามอย่าง แต่ก็ไม่ใช่พร้อมกันทีเดียวเราก็ใช้กับเวลาที่เหมาะสมคํา บ, บริกรรมพุทโธนี้ก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งถึงเมื่อนั่งสมาธิเลยใช้พุทโธอย่างเดียวนะั่นถ้าใช้ได้ถ้าใช้ได้พอเราพุทโธพุทโธไปแล้วก็คิดไม่ได้แล้วพอเรามานนั่งเราก็พุทโธต่อ แล้วถ้าไม่อยุดพุทโธสามารถพุทโธไปเรี่ยกเหจิตก็นิ่งสมบรเป็นเบเกรารมีความสุขที่เดียอกว่าความสุขตั้งปวงอันนี้คือกคร่อมือความสงมบมต้าราใชกรรมฐานเช่นพุทโธนี่เป็นพุทธานุพุทธานสุสติหนึ่งในสี่สกรรมฐานหรือถ้าเราไม่ชอบพุทโธเราจะใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ การกระทำอะไรต่างๆของร่างกายก็คอยเฝ้าดูมาถ้าเราเฝ้าดูการเกินไหม่การกระทำเราก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าไปคิดก็สแสดงว่าเราไม่ดูแลต้องดูทุกปีริยาบททุกขนณะถ้าเราผูกใจไว้กับการดูร่างกายได้ใจเราก็จะอยู่คิดได้นึกคิดใหยน้อยลงได้ เวลามานั่งสมาธิเราก็เปลี่ยนจากการดูล่างการเคลื่อนไหวของร่างกายมาดูกันเคลื่อนไหวของลมหายใจที่ปลายจมลมหายใจเราว่าหายใจเข้าหายใจออกให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปควบคุมมังคข้าลมอันนี้ทีนี้คือวิธีการนั่งสมาธิจะใช้ลมหายใจก็ได้ใช้คําบริกรรมพุทโธไปได้ บางทัานก็ใช้ทั้งสองอย่างครบคู่กันไปก็ได้แต่เราชื่อมันอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่แต่มันถ้าถ้ใช้ได้ก็ใช้ไปแต่มันยากยอดทาใจให้สงบใจใจสงบนี่มันต้องเพ่งหรืออยู่กับพุทโอย่างเดียวถ้ามันอยู่กับสองอย่างนี้มันจะทํางานมากเป็นไปมันยังต้องทํางานแต่ในเบื้องต้นมันอาจจะช่วยสร้างสติดรับข่าวคิดห ในระดับหนึ่งก็ได้พอมาถึงจุดหนึ่งแล้วควรจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งน่าจะดีกว่าพุโทธโธทไปนั่นดูลมหายใจเข้าออกไปดูที่ปลายลมอกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกนมจะสั้นจะยาวจะอยากจะละเอียดก็้รู้ตามความเป็นจริงไม่ต้องไปทําอะไรแล้วท่านมีอะไรปรากฏขึ้นมาระหว่างที่นั่งสมาธิก็ไม่ต้องให้ความสนใจ าจะมีแสงมีเสียงมีอะไรรูปอะไรปร า, ากฏขึ้นมาอย่าไปให้ความสํำคัญอยู่กับลมไปอยู่กับพุทโธไปจนกว่าจิตจะนิ่งสงบเบาสบายตอนานๆก็ไม่มีความ ค, ามคิตมุงแต่เราก็หยุดได้แล้วก็พยายามใช้สติคอยให้มันนิ่งไปนานๆถ้าเกิดความคิดอยากจะลุกขึอยาพึ่ลุกอย่ากพึ่งไปทัดตาความคิดพยายามนั่งต่อไป ถ้ามันคิดมากๆขึ้นมา ก, ก็ใช้คำใบกับพุโทโธวยการลงลงไปให้ใบน้ำต่อบไปนั่นเลว่ากๆนะให้ น, นานาแล้วจิตจะมีพลังที่จะหยุดความคิดหรือความคิดได้ก็จะหยุดกิเลสได้เวลาเราการหยุดความคิดก็คือเพื่อต้องเอาไปใช้ในการหยุดกิเลสเวลาที่เราจะริยนปัญญาาปัญญาจะบอกว่าความทุกข์ของเราเกิดจากกิเลสคือความอยากต่างๆ เวลาที่เราเก als, Lego, ิดความทุกข์เราก็จะเห็นว่ามันเกิยจากความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ต้องใช้กําลังของสมาธิให้หยุดถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ยังไม่อยากจะแก่ที่เราทุกข์เพราะทุกข์กับความแก่เพราะเราไม่อยากแก่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ปวดเพราะเราไม่อยากจะเจ็บไข้ได้ปวดทุกข์กับความตายเพราะเราไม่อยากจะตาย แต่มันก็เป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้สิ่งที่มันไม่อยู่ภายใต้การควบคุมกำังครับเราได้ตลอดเวลาความแก่มันก็มันก็มาถึงเวลามันเข้ามาหยุดมันไม่ได้ความเจ็บไายเราเหมือนกันมันดีก็ดีมันจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้มันก็เจ็บขึ้นมารักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ ต้องใช้สใช้ใช้สติใช้ปัญญาหยุดมันอย่าไปหยากอย่าไปหยาดอย่าไปหยาดไม่เจ็บไม่ได้ไม่ไดไ้ไปไปหยุดความเจ็บใข้ได้ป่วยเน้่ยหยุดความเนี่ยต้องความเจ็บไข้ได้เป่วยเราไปอยู่มันไม่ได้ถ้าปเป็นใจโรคที่มันรักษาไม่หาก็ต้องอยู่ประมันไปนะแล้วก็ความตายก็เหมือนกัน ในทีสุางกายมันก็จะต้องเข้าสู่ความตายเราจะทุกข์มากเราจะปวกแรงแต่เราก็ต้องเห็นด้วยปัญญาว่ามันก็เป็นเงื่องที่เาห้ามไม่ได้แต่ถ้าเรามีสติมีสมาธิเราก็ห้ามความอยากได้ความอยากไม่ตายอะไรเพราเราเห็นด้วยปัญญาว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากไม่ตายไม่ใช่ความตายความตายไม่ได้เป็น ท่านท่ให้เราทุกข์กันเหตุที่ทําเราทุกข์คือความอยากของเราไม่ความอยากไม่ตายความอยากไม่เจ็บความอยากไม่แก่ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่าเป็นไงความอยากแล้วก็หยุดความอยากอยู่เฉยๆอยู่กับความเจ็บไปอยู่กับความแก่ไปอยู่กับความตายไปใจเราก็ไม่ทุกอันนี้คือสิ่งที่เราต้องฝึกฝนทำการบ้านซ้ำ ฝึกสติฝึกสมาธิฝึก ป, ปัญญาแล้วก็ล <c oughs> องจินตนาการจำลองเหตุการณ์เม่อ้าทานที่เราแก่ไปดูคนแก่แล้วเราเป็นคนแก่บ้างเป็นยังไงเวลาเขาเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เป็นยังไงแล้วความตายก็จำลองดูถ้ายังไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ถึง ถึงใจอยากจะอยู่ของจริงอยากจะแจ้ความเจ็บจริงๆก็ในะนามาสมาที่เวลาร่างกายเจ็บไมอยากไปขยับเสม ม, มันเป็นอาการเจ็บจากการาเป็นไข้็นโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ทำให้มันหายไม่ได้เมื่อมันหายไม่ได้เราก็ต้องทนอยู่กับมันให้ได้เราอย่าไปทุกข์กับมันถ้าเราไม่มีความอยากให้มันหายเราจะไม่ทุกข์ อันนี้มันจะเห็นเวลาปฏิบัติไปในใจย์ความเจ็บอาจารย์เราทุกที่เรารู้ไลมว่าเราอยากให้มันหายไม่อยากจะนีอาา้อยากมันไปอยากเปลี่ยนนยากปดถ้าเราไปเปลี่ยนมันก็มันก็แพ้มันเดี๋ยวมันก็มาใหม่เปลี่ยนตป๊บเดียวเนียวน้ำชะพักมือนก็ามาใหม่วิธีทียจะอยู่กับมันนี มวิธีที่จะชนะมันก็คือเ้องอยืหัดอยู่กับมันไปปล่อยมันมาเดี๋ยวมันถึงเวลามันก็ไปเองถ้ามันจะไปถ้ามันไม่ไปก็อยู่มันขอให้เราอยู่กับมันให้ได้แล้วกันถ้าเราไม่มีความอยากเราก็จะอยู่ได้ถ้ามีความอยากให้มันหายเจ็ความตายก็เราไปให้อยู่ที่หน้าตัวดูแล้วเกิดความกลัวตายขึ้นมาก็จะได้ใช้ปัญญามาแล้วนะครับ ความอยากไม่ตายใช่ไหมที่ทําให้เรากลัวตายความอยากอยู่แต่เราทําให้ร่างกายมันอยู่ไม่ได้ไม่ถ้าถึงเวลามันจะตายมันก็ไม่ได้ถ้ามันจะตายจริงๆแล้วมา ก, ก็ต้องต้องยอมตายหยุดความอยากหยึดความ อ, อยากไม่ตายถ้าเรามีสติมีสมาธิเราก็หยุ่มันได้ทําใจเฉยๆถ้ายังยไม่ยอมหยุดก็ใช้คำอะไรคำพุโทโธพุโทโธไปก็ได้ อย่าพอวันหยุดป๊บใจอย่าหายทุกข์หายกลัวอย่รู้สึกเฉยๆกับความตายความเจ็บรือความแก่อันนี้คือการทำการบ้านแล้วก็การไปสอบสอบสอบไปหาสนามสอบในหาที่ทนากัวหรือนั่งนานๆให้ร่างการนเจ็บปวดในความแก่นี่มันก็ต้องรอาอาันมาเมอเราได้มันไม่ได้ ธรรมามันก็มาเองก็ดูคนแก่คนที่ต้องแก่ครับดูเขามีความสุขไหอดูเขาสุขหรือทุกข์นะก็อีกเรื่องของการทําการบ้านชีวิตเนี่ยชีวิตเราก็มีการบ้านสามมีข้อสอบอยูาข้อแต่เราไม่รู้กันถ้าเราไม่ศึกษาทำบ้าเราไม่รู้วนเป็นข้อสอบที่ลาจะทำ พยายามทําให้ได้สอบผ่านแล้วเราจะสบายเราจะไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายต่อไปโอเคนะครับคุณครับอาจารย์ไปที่จำแนกแตจชาติที่รปลกพษการทายาทครั บ, <า>รบวันนี้ไม่มีคําถามครับมาฟังธรมครับเรามีอาการ32ว่า มีครับจำได้ปะจำได้ครับมาส่งจำได้แล้วนะย้อนลืมผมควรเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมันับผับผัืนไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะ น, น, OLED, น้ำต e ีน้ำเสลน้ำหล่องน้ำเลื่อนน้ำเหนียวน้ำมันส้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำาน้ำไข่ขอน้ำมูดน้ำมูดน้ำไข่ขอน้ำมูดน้ำมันเหล่น้ำตาน้ำา้นน้ำเสียน้ำเลื่อนน้ำเสลน้ำดีเยื่ในสมองฉีดสระ อาหารเก่าอาหารใหม่ใส้น้อยใส่ใหญ่ปอดไตถังพื่นตับหัวใจม้ามเยียนในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็กผลผมอวันที่ได้เห็นมากกี่เรี่ยมเห็นไหครับเวลาเห็นคนได้เห็นอาการสารีสองเขาหรือปล่าเห็นครับเวลาเห็นน้องชายนี้เราเห็นชื่อเขาใช่ไหม จำได้แล้วจำชื่อก็ได้แล้วจำอาการฐ า, า, านที่สองก็ได้มจำได้ค่ะต้องผ่านจำอาการฐาสองก ม, มื่อเราจำชื่อคนนะเจอคนที่เราเห็นเอ้าเขาก็มีอาการฐานที่สองนะ<ม>เราก็มีอาการฐานที่สองพยายามเนึกอยู่บวว่ๆให้มันเป็นนิสัยเห็นร่างกายของใครก็ต้องนึกถึงอาการฐานที่สองนะแล้วก็เห็นร่างกายของคน แวันนี้ถึงชื่อใครบาวันนี้ชื่ออะไรจำได้ชื่อจัดดชื่อจำแนงอยากจำกระดูกของขังจำแนนได้บ้างไม่ได้เห็นกระดูกคนจํานงเราไม่เห็นนะเห็นก่อนบ้างเห็นตับบ้างเห็นนําใจบ้างลองลองหัดนะหัดดูหัดนั่เป็นนิสัยเวลาเห็นน้ำกายของไม่ว่าจะเป็นของใายต้อง มองเข้าไปถ้ามันเห็นข้างในให้ได้อย่ามองแต่แค่คิวหนาเมืมองทะลุเข้าไปผิวหนาใช้ใช้ตาซุเปร์มนซสุปอระแมนไตาใช่ไหมไม่เอ็กซ์เรย์ใช่ไหมเรามก็มีปัญญาเรามีอสุภานอสุภานนี่ก็คือเอ็กซ์เรย์ของของอิน v i s i b l man ต้องมองให้เห็นนะต้องมองให้ทะลุเข้าไปไปเรื่อยๆแล้วกเห็นเอง ต้องทําทุกวันทําบ่อยๆล<ะ>แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งของร่างกายที่ต้องจดจำคืออะไรเราเกิดมาแล้วต้องเกิดแก่เจ็บใจเป็นธรรมดาลรวงพ้น่งค้นความตายไปไม่ได้ค่ะจำได้ของเข้าไปลอได้ไหมนะคร เ, รเรามีความแก่เป็นธรรมดาจากักร่วมค้นความแก่ไปไม่ได้ เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจัดล่วมพลความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจัดล่วมพลความตายไปไม่ได้เราจะแล้วเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพาจากของล้รักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีการเป็นของตน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 เราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิดจำไว้นะต้องทําทุกวันนะทํมาแล้วหลาย ๆ, ๆครั้งด้วยอดีกว่ไปนั่งเล่นเกม น, นั่งนอนตอนนี้กลัวเจ็หายเจ็บตอนที่เป็นไม่สบายตอนนี้หายแล้วเสร็จไปไงกลัวไหมต่อไปกลัวไหม<อ><อ> ไม่กลัวครัไมกลัวคไม่กลัวนะอยู่กับมันได้นะ ม, <Okay. S 2> มันมันไม่ใช่เราใช่ไหมไอ้ที่มันเราเป็นเพียงแต่พี่เลี้ยงแล้วก็ดูดูแลน้องไปนัางกายเป็นเหมือนน้องเราเราเป็นพี่ชายเป็นพี่ของน้องเป็นพี่ของร่างกายน่างกายเป็นอะไรเราก็ต้องดูแลมันไปแต่ไม่ต้องไปทุ่กับมันครับ <c oughs> โอเคมีอะไรหมมีอะไรจะถามไหมไม่มีนะครับโอเคแม่ก็ไม่มีนะไม่มีค่ะตอนนี้ตื่นมาก็พูดโธเลยเป็นอัตโนมัติแล้วค่ะอวมความคิดไปผัดกันแพ้ผัดกันชนะเออก็ดีดีเราไม่ได้ทำเลยส่วนใหญ่จะแพ้ไม่ๆก็แพ้ก่อน เขาเป็นแชมปโลกเก่านําเพิ่งมาถ้าชิงแชมป์ก็เราก็เราโดยก็นับหลายรอบก็่อนก่อนจะชนะได้แต่พอเราชนะก็คนเดียวก็พอถ้าชนะเกี่ันไม่สําคัญถ้าเราชนะเอาคนเดียวแล้วรับเป็นแชมป์เลยนะโอเคนะทต่อไปทําต่อไปคุณ คุณสาธกอาจารย์ขอยัาคคุณพระอาจารย์ครับมาฟังครนมครัอาจารย์ไม่มีคำถามค่ะสาธุจ่อไปบุษาุษาดิศยาเมนามาสการถามพระอาจารย์วัสกรถาอาจารย์วันนี้ชวนน้องเข้ามาฟังด้วยค่ะน้อจชัยนะน้อง ที่อยู่ที่ใกล้ๆบ้านเนี่ยค่ะเขาจะฝากคำบุญบ่อยๆค่ะเมื่อวันนี้ยังอยุดงานแล้วเขามาก็เลยชวนมาฟังธรรมค่ะเม่อกี้งาจจะกลับประัำมาบริเวณต่อมาใหม่ค่ะมีอะไรอยากจะถามไหมาเลยมีอะไรหมไม่ไม่มีค่ะเพิ่งมาฟังครั้งแรกอาจารย์สำหรับโยมนะสาหรับโยมนะคะอาจารย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย ทางโรงเรียนเขาชวนไปให้ไปพาเด็กนักไปทัศนศึกษาค่ะตอนแรกก็ลังเลว่าจะไปหรือไม่ไปเพราะว่าถ้าไปแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องไปกับเพื่อมใช่ไหมคะแต่ว่าด้วยความที่น้ําใจที่เขาให้มานะคะเราก็เลยปฏิเสธไม่ออกก็เลยไปแต่ว่าในการไปครั้งนี้ก็ทดสอบครั้งแรกก่อนค่ะคือทดสอบจากเป็นให้ลูกอยู่คนเดียวมาเปิดร้านเองเก็บร้านเองคนเดียวค่ะสามวันมาทดสอบกขาไปแล้วก็ ตอนที่โยมไปอยู่บนรถใช่ไ้ยคะเสียงเพลงมันอึกระทึกมากเลยค่ะแล้วเราก็ทํำยังไงเพื่อที่จะไม่ไม่ไม่ไปตามเสียงเพลงเสียงดังเราอยู่ได้ค่ะอาจารย์แต่มันจะเผอตรงที่ว่าเพลงนี้กรองเพราะจังเลยเ้ย mm hmm. เพลงนี้ดนตรีกีตารเพราะจังเลยพอนึกได้ก็กลับมาพุทโทแต่พอพุโทพโธรปุ๊บตู้มันไม่ไหวค่ะอาจารย์ mm hmm. รู้สึกว่ามันบีคันมากเลยมันอยากจะร้องไห้ก็เลยใช้วิธีการ หันมองทั้งหน้าต่างเท่งไปไกลๆค่ะนิ่งไปไม่มีจุดสายตามันก็อยู่ได้ค่ะแล้วเราก็ว่าอ๋อนี่ไงเราอุเบกขาได้ต่อให้เสียงดังแค่ไหนถ้าเราไม่ตามมันเราก็อยู่ได้ค่ะอันนี้บททดสอบที่สองอีกอันหนึ่งก็คือบทติดสอบที่สามวันนี้ก็คือ บ, บันนอบงเอิญว่าบริหัทใหญ่หลานชายโทรมาให้ช่วยติดต่อที่ธนาคารให้เขายมก็ไปซึ่งเป็นธนาคารในห้างใช่ไหมคะขณะที่เราเดินเราก็แปลกใจเอ๊ะทําไมเราหลุดตาลงต่ํา มันมันเกิดความเคยชินจากการเดินนะคะปกติเราเดินเราต้องมองนูง่นมองนี่ใช่ไหมคะแต่คราวนี้ก็คือตาลงต่ําเอ๊ะเราจะเดินห้างแต่ว่าไปธนาคารเจ้าหน้าที่เขาก็ไปหาเอกสารนานมากค่ะแล้ว เ, เขาหันก็บอกเอ่อสักครู่นะพี่นะโยมก็จบไม่เป็นไรคอยอีกคนเดินมาสักครู่นะคะไม่เป็นไรซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะมีคําถา ม, มในใจว่าทําไมทําไมทําไมแต่ตอนนี้เราก็มาเป็นไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะ แล้วขณะที่นั่งรอโยมก็นั่งตอนแรกๆก็ปั่นปากกาเล่นแต่ว่าเอ๊ะมันมันลองกลับมานึกถึงคําอาจารย์เทพน้าสุติว่าลองดูซิให้อยู่กับพุโทโธให้ได้สักหานาทีโยมก็เลยเอาปากกามาขีดบนกระดาษเอกสารนะคะมาเขียนขีดๆพุโทโธพุโทโธพุทโธพอห้าครั้งครบก็ขีดคล่อมแต่มันไม่ลงจังหวะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นหนึ่งสองสามสีห้าหนึ่งสองสามสีห้าแล้วมันก็อยู่ตรงนั้นนะคะโดยเวลาผ่านไปเราก็ไม่รู้สึกว่ามันนาน เราก็หยุดกันหนึ่งสองสามสี่ห้าขีดกล่องจนประมาณห้าหกแถวยาวๆหน้าตองกระดะตองจุดหมายค่ะกว่าจะได้เอกสารพล้อมแต่เรารู้สึกว่าเวลามันไม่ได้มีบทบาทกับอะไรกับเราเลยความรู้สึกนานหรือชา้ามันไม่เกิดขึ้นอะคะ่ะแสดงว่าเออถ้าเราอยู่ในสังคมตามในที่เรายังไม่อยู่ในเน่ขมมะใช่ไหมคะล้วอยู่ในสังคมเราก็สามารถทําได้โดยที่เราให้อยู่กับสติแล้วโยมก็ทําเออเนาะแทนที้จะต่อสายมองโน้นมองนี่ก็ไม่อะค่ะ ทำได้นะคะแล้วก็พอเดินกลับมาก็เรารู้สึกออื่นทำไมเราลงตาลงต่ำด้วยความใจชินนะคะแล้วก็ไปที่นั่นสามวันสองคืนโยมก็สื่นปีสามลุกขึ้นเสด็จมนนะั่งสมาธิแล้วเดินจงกรมแต่โยมไปพักกับรุ่นน้องสี่คนซึ่งมีต่างศาสนิกสองคนเขาจะต้องลุกขึ้นลำบากตอนประมาณ4ี่ห้าใช่ไหมคะแล้วโยมก็ไม่ได้บอกเขาว่าโยมลุกขึ้นเดินจงกรมแล้วก็ ไฟไม่ได้เปิดใช่ไหมคะแสงจากช่องหน้าต่างมันเข้ามาแล้วโยมก็เดินเขาเขาก็าาตื่นขึ้นมาแล้วก็มาเล่าให้ฟังตอนเช้าว่าตกใจหมดเลยว่าใช่พี่หรือเปล่าเดินวบไปแว บ, บมาค่ะอันนี้ก็คือ อ, อ๋อเราก็ได้ทำอยู่อาจารย์อันนี้คือสิ่งที่ได้จากการที่ไปในรอบนี้ก็รู้สึกว่าถ้าเราต้องอยู่ในสังคมเราต้องปรับตัวเราเองอ่ะค่ะอันนี้คือสิ่งที่โยมโยมเดินได้มาค่ะอาจารย์มันจำเป็นครับต้องปรับ แต่ถ้ามันจำเป็นก็อย่าไปเข้าดีกว่าออกพยายามหาหาโอกาสออกปปเปรีบวิเวงดีกว่าอย่าไปเข้าสัองคมอย่าไปคุคคีกัน<ช>เพร ม, มันเหนื่อยมันเหนื่อยกวอยู่คนเดียวใช่ไหมใช่ค่ะแต่ก็คือแบบยังไงก็บอกลูกว่าถ้าแม่ต้องไปวิเวกคนเดียวหนึ่งเดือนได้ไหมลูกบอกว่าได้ค่ะแต่พอถ<ม>ึงจะไปแค่สามวันบอกแม่ไปจริงเหรอไม่ไปไม่ได้เลยค่ะจ้ะอันนี้คือ ว่ายังไงก็ต้องไปเองค่ะเพราะอยู่ในสังคมแบบนี้เราแาข่งขันก็ไปเตะเติบโตการไปเป็นการแบบฝึกนิสัยพอแล้วออกมามันก็เป็นนิสัยติต ม, มาด้วยใช่มันมันแข่งอยู่แต่ว่าก็เรารู้ว่าเออการอุเบกขาเราก็สามารถทําได้บางทีเราต้องตัดสถานภาพในการอยู่สังคมนะคะบางทีเราต้องใช่แต่ถ้าถ้าไปเข้าไปบ่อยๆเนี่ยมันกําลังมันหมดได้ เดี๋ยวมันจะรู้สึกต่ว่ามันครั้งแรกนี่ยังพอไหวในครั้งที่สองมันชักจะไม่ไหวใช่ไนะก็ต้องไปชาร์จแบตเตอรี่ครับใช่ค่ะเดี๋ยวรอให้หมดหน้าร้อนก่อนอาจารย์จะไปจะไปดีดีก็ถ้าที่ฟังมาก็ถือว่าเอามาใช้ประโยชน์ได้จากที่กลับมาจากการปฏิบัติมีอะไรเปลี่ยนออกมาด้วยใจเรายังไม่แข็งใจเรายัง อาจจะควบคุม ใ, ใ, ใ, ให้ให้ให้ไดให้เฉยได้ชอบตรงที่ว่ามันค่ะชอบตรงที่มานั่งขีดนึงสองสามสี่ห้าแล้วเออมันมั น, ม, นมันก็ดีค่ะแต่มันก็จะนิ่งอยู่กับตรงนั้นนะคะเราไม่รู้สึกว่าเราเราผู้โลนด้วยหรือเราไม่มีคําถามเกิดคือว่าทําไมทําไมทําไมมันมันเอามาใช้ได้ค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราเปลี่ยนไปได้นะเราไม่ขีดได้ไหมเราไม่ขีดใช่ไหมเราพุโทโธพุโทโธไปภายในใจ อ, อ่า พออยู่ตรงนั้นในธนาคารเนี่ค่ะอาจารย์ถ้าเราจะนั่งพูดโทรเดี๋ยวบางทีมันเดี๋ยวจะลองดูค่ะจะลองดูแต่ตอนน้เขาไม่เขาก็ไม่ดูแล้วพาดโพูดโทรแล้วก็พูดโทพโไจะลองดูใหม่ค่ะจะลองอมันมันจะสบายกว่าต้องมานั่งเขียนเนี่ยแต่ก็ก็มันก็ก็อาจจะไม่ต่างันเท่าไหร่ก็ได้นะแต่แต่คิดว่าถ้าไม่ต้องใช้อะไรเลยได้จะดีกว่า ใช้ใจเราตัวเดียวนี่อย่างเราใช้ร่างกายใช้ปากกาใช้อะไรเดถ้าเกิดไม่มีปากกาไม่มีอะไรจะจะทำไม่ได้มันจะนิ่งกว่าในชั้นนะก็มันมันก็คือใช้ของที่มีในตัวเราเท่านั้นจะได้ไม่ต้องไปพึ่งของภายนอกไม่ต้องไปพึ่งร่างกายไม่ต้องไปพึ่งปากกาไม่ต้องพึ่งกระดาษนเบางทีก็ต้องหากระดาษมาเขียนเนี่ย ก็เราไปพุทโธพุทโธอยู่ในใจแล้วทำไมต้องไปเอากระดาษไปเขียนทำไปใช่ไหมไดยังไงฮะไม่ได้คิดเลยไม่ได้คิดเลยว่านั่งเฉยก็พุทโธไปรอเข้าไปไม่ต้องหลับตาแล้วนะแล้วก็พุทโธพุทโธมองมองกับพื้มองมองกับโต๊ะที่เรานั่นไปพอถึงเวลาเขาก็จะยื่นเอกสารแล้วก็มาเขียนพร้อมแล้วก็จะเอา จะลองเอาไปใช้ใหม่ค่ะอาจารย์บังเอิญว่าสองเอกสารที่เขาคืนมาให้เราพอดีแล้วก็นั่งอยู่เอ๊ะเอาไงดีก็เลยลงองทําดูค่ะก็ก็ได้ค่ะอาจารย์ก็รด้เดี๋ยวค <จะ S 1> วรจะไม่เดี๋ยวควรจะเป็นติดมันนะมันควรใช้รูปบรตรคนใช้<อ>ประเด็ น, นจะติดรูปบรตรคำถ้าไม่มีรูปบรตรคำมันทําไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวถ้าไม่มีปากกาไม่มีอะไรจะทําทไม่ได้เราไม่ต้องใช้มันเนาะเราใช้พุทโธพุทโธในใจเราที่นั้น หรือว่าสติ<ช>เร<ช>ยังไม่ไม่มีกําลังมากพอที่จะใช้พุทโ ธ, ธอันนี้ก็แล้วแต่อันนี้เป็นเป็นข้อข้อแนะนำลองไปทําดูค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะอาจารย์พยายามพยายามรักษาใจอยู่ครับพยายามไม่ให้มันเสียให้มากะพยายามเต็มที่แล้วก็สติกับปัญญาสองตัวเนี้เป็นผู้คุ้มครองใจก็คือพยายามว่า ยังไงไม่ให้ไปกับเสียงเพลงอุ้ยหนึ่งมันเพราะช่งเลยก็ถือทุกโพเอาไม่อยู่ค่ะรู้สึกโุ้ยเลยหันหน้าตัางเลยค่ะมีไปไกลไกลอ่าต้องมองไปไกลๆก็สี่สิบก็ไม่มารบกวนอะไรเราอะค่ะอยู่ได้เดี๋ยวจะหาโอกาสไปดิเวกค่ะทุกานด้วยตัวเอดีสยามอะไรเนย นักมาตการขับพระจารย์วันวันนี้มีบททดสอบสองบทแล้วก็ทําได้แล้วค่ะแบบว่าเมื่อวานพระอาจารย์แนะนำว่าให้ห้าห้ากับมันหรือว่าไปคิดว่าเราเปลี่ยนอะไรได้ล่ะก็ถ้าห้ากับมันได้ค่ะแต่ว่ามันเป็นบททดสอบง่ายๆค่ะนี่แต่ว่าก็ดีกว่าดีกว่าเดิมค่ะค่ะเขาเป็นอย่างนี้เราจะไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ใช่ไหม เขเป็นส้มเราจะไม่เปลี่ยนให้เขาเป็นกล้วยไม่ได้ค่ะเพราะว่ามีตอนนั้นสอนเด็กแบบว่าสอนวันวันนี้ติวให้ฟรีค่ะปรากฏว่าเขาไม่เชื่อแล้วก็แบบว่าจะเริ่มหันไปมองทางอื่นก็ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเขาไม่เชื่อก็โอเคงั้นก็ไม่เป็นไรเพราะว่า<ม>ยังไงหรือเขาก็ไม่เชื่อเราอยู่ดีแล้วก็เขาเริ่มงอนแล้วก็หันไปทางอื่นเริ่มกรวเราก็อ๋อโอเคไม่เป็นไรงั้นก็พักก็ก็เท่านั้นนะคะ่ะแล้วก็แบบ แล้วถ้าการเคยบอกว่าจะไปเอาอะไรมากมายกับสิ่งรอบข้างนอกคํานี้มันเซตในใจค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าด<อ>้วยเราไปบ้าอะไรจากข้างนอกอค่ะก็เออแล้วก็ัวเราะมันต้อไม่พบหัวเราอได้ก็รู้สึกดีดีค่ะค่ะเรารู้จักปล่อยวางปล่อยวางถ้าทําอะไรไม่ได้ก็ปล่อยวางทาได้ก็ทําไปะ ต้องขอบพระคุณค่ะอาจารย์มากเลยค่ะไม่งั้นหนูไม่รู้จะไปหนง่อย ค, ออค่ะไม่เป็นยินดีเป็นติวเตอาให้ติวเตอรเอียทีนะ <c oughs> โอเคนะวิทันีนะข อ, ขอบคุณอาจารย์จากนราธิวาก็ไปที่เนเธอร์แลนด์ใกล้ๆ ก, กับอัมสเตอร์ดัมใกล้อัสนามชิชฟอร์ส <c oughs> นามน มนตะวันจับมัน่นตามพจันครับยังไงะครับอือเป็นดีมากครับที่โ<แ>รงเงรียนป็าปยังไงที่โรงเรียนทําไม อ, อือที่โรงเรียนมองโก็เแ็นดีที่สอบแล้วก็ชีพสะดวกครับือผลสอบเพงออกค่ะพระจันทร์ทสอบกลางคนแล้วก็ ส่วนที่เขาต้องปรับปรุงเนี่ยก็คื อ, ค, อ, ค, อคือเกรดเขาดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าส่วนที่ปรับปรุงก็คือเขาพขาพยายามแล้วก็ผลการเรียนก็คือดีขึ้นนะคะข่อจางาค่ะเขาเป็นท็อปเท่าไหร่นะท็อป20ของเด็กวสีทั่วประเทศนะคะอาอจามีภูมิใจอยู่๋อทั่วประเทศเลยเยี่ยมมากเพราะว่าที่ที่โรงแรมเนี่ยเขาจะไม่ได้เขาจะไม่ได้เรียงลาดับ1 2 3 4 5นะคะคือเขาจะเทียบกับผลอ่าผลสอบของเด็กทั่วประเทศในระดับชั้นเดียวกันนะคะ แะส่วนของตะวันนี่เขาเป็นท็อป20ที่อยู่ข้างบนสุดของของเด็กทักเรียนทั่วประเทศนะคะป .4 นะคะอะไรก็ทำเป็นเหมือนกนถ้าทั่วประเทศใช่ค่ะพ่อจ๊ะเก่ง เ, เป็นแส น, น, แนค่ะ<ม>เดี๋ยวต้องพาไปเลี้ยงค่ะต<ม>ิดเอาไว้ก่อนค่ะมีอะไรไหมวันนี้มีแค่หนึ่ ง, งก้อครับถอามามาครับอืม ถ้าเรามีกระต่ายแล้วมองเข้าอยู่ในโครมองก็เป็นบาปไหมหรือว่ามองไม่บาปครับถ้าเราเป็นกระต่ายเราจะคิดยังไงนะบาปไม่บาปเวาเราเจอไมโครถ้าถ้าแม่เขาจับเราเข้ากกงเราจะคิดยังไงเราแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้เวลาเราเข้าโกงเราแฮปปี้ไหมแฮปปี้ไม่แฮปปี้อ่าโอเค กระตายก็เหมือนเราเขาก็คิดเหมือนเราเขาก็ไม่ happy. แฮปปี้การไปทําให้คนอื่นไม่แฮปปี้ก็ถือว่าบาปใช่ครับไม่มีคําถามแล้วครับระวังนะต่อไปอาจจะกรรมันเกิดเป็นกระต่ายให้เขาจับเราเข้าอยู่ในโกงนะเคยทําอะไรกับใครไว้ก็ต้องครับผลที่เราทํำนะอย่างที่เมื่อกี้จะไมาจัดจ้านที่เขาท่อง ทำการมันไดไว้จะต้องกานพูดรับผลของกรรมนั้นอันนี้เราจับกระต่ายมางคังไม่ต่อไปแล้วอาจจะกลับมาเกิดเป็นกระต่ายก็ได้คำนี้ดีไปปล่อยไปไปอย่าไปเลี้ยงให้มันเสียเวลาเลียกกระต่ายตุ๊กกระต่ายตายกระต่ายตุ๊กกระต่ายดีไปถ้าอยากจะมีกระต่ายสบายกว่าไม่ต้องเมื่อวานเขาขออยู่ค่ะอยากจะเลี้ยงเลี้ยงมาเลี้ยงอะไรอย่างนี้ก็คือไม่อัตมัติาษอืม ไม่ดีหรอกถึงแม้จะเมตตาก็เมตตาครึ่งหนึ่งแต่ถ้ามันก็อดได้กับเขาครึ่งหนึ่งก็การขังเขาถ้าจะเมตตาก็เลี้ยงเ้าแบบให้เขาไปไหนมาไหนตามอัธยาศัยก็ได้ให้เขามีฟรีแลมทุกคนต้องการฟรีแลมไม่ใช่หนถะ้าเราไปกักขังเขาเพอเขาเป็น p r ปริศนาไม่จำเป็นกนอย่าไปเลี้ยงดีกว่าสารเลียงอะไ ไหว้ก็อยู่ตามธรรมชาติครับนี่ยครับแล้วเอาเปรียบแล้วรีดเขาเพื่ความสุขใช่ไหแต่เราลืมเราอความสุ ข, ขเรามป็นกองทูกขของเขาเราไม่คิดกันพเราส่วนใหญ่มันจะมองเห็นแับตัวมองแต่ประโยชน์สุด ข, ของตัวเองโอ้ได้นี่มาแล้วจะมีความสุขแต่ไม่คิดถึงตัวที่เรามาเรี้ยงใหเขาสุขทุกขอก็อกอเราเกล่ ถจะเลี้ยก็เลี้ยงแบบไม่ขำก็เิก็ให้เขาอยู่ในบ้านจะไปไหนมาไหนก็ไปก็ไปอย่างนี้ก็เลี้ยก็เหมือนเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเราเนี่ยแม่เลี้ยงเราก็ไม่ได้ขเราใช่ไหมใชครับดีไหมตอนนี้มีกระดาษก็ไม่มีแต่ขออยากจะขอเน่ยอยากจะบอกความว่าเนี่ย แต่ S <S <S <an> ไม่ทำมาเยอะทุกครับทำาแล้วก็เป็นต้องมีเปเป็นภาระต้องมีงานทำต้ อ, อ, อ, อ็คอยเลี้ยงเขาต้อคอยเอาอาหาราให้เขากินเวลาเขาถ่ายก็เอาถ่ายก็ไปไปทิ้งอี้ต้องอาบน้ำให้เขาเองใช่ไมมลองคิดมุมกลับบ้าอยู่ที่แต่มุมมุมเดียวรู้สึกทุกอย่างมันมีสองด้านนี่ถ้า ดีแล้วในทัางแม่ดีิมาด้วยกันใชค่ะคืออาจจะลุ้นอยู่ไหมคะพระอาจารย์คือเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะลุ้นอยู่ว่าถ้ามาถามพระอาจารย์แล้วขอพระอาจารย์แล้วพระาจาอาจจะบอกว่าไม่บาปาจจะใช้พระอาจารย์เพราะว่าเสกวาจะให้แม่สิก็ตายมาให้เขาหน่อยเลยแบบนี้เป็นไปได้ค่ะพระาใช่ไหมใช่ไ่มนี่เป็นถ้าเป็นตุกตากระตายไม่ไม่ไม่บาปนะตุกตากระตายมาไม่บาป มีเต็มบ้านเลยค่ะภาษเต็ม้าโอเคแลมีอะไรไหมเออมาดีจ้ะแล้วคุณแม่มีอะไรบ้างมีค่ะภาษาคือว่าเรื่องถ้าปฏิบัติแล้วเราสึกอยากดีเราก็อยากจะได้ปฏิบัติเอมารผลนิพพานเร็วๆอย่างเนี้ค่ะภาษาอันนี้จะถือเป็นตัวกิเลสไหมคะเป็นก็คือ คือมันต้องดูกําลังของเราดูดูความสามารถของเราว่าเราเป็นได้ไหมถ้ายังเป็นไม่ได้ก็อย่าตึงไปอยระอย่าประหยัดเกินกาลังให้ถือยึดทางสายกลางเกินตามกําลังของเราอันนี้เราทําได้ท่าไหลายก็ทำไปแต่ถ้าเราทําให้หยุดมั น, นก็ต้องถึงแน่นอนให้เราทิ้งอย่างนี้ก็แล้วกันอย่านั้นอจะสมรรถภาพของเราไม่สามารถไปแบบปุ๊บปั๊บได้ ไม่เหมือนคนบางคนในสมัยพุทธการควรมทำหมเดียวก็ไปถึงนิพพานได้เลยเรายังไม่ถึงรนะดับนั้นเราก็ต้องมาสร้างกําลังให้มัเพิ่มมากขึ้นกาลังที่เราขายก็คือสติสมาธิและปัญญาสามตัวนี้มากขึ้นไปแต่ความอยากไนิพพานยิงไม่ ด, มดีแต่ต้องมีขอบเขตอยู่ในขอบของความเป็นไปได้ถ้ายังเป็นไปไม่ได้อยากไปก็จะ ทำให้ใจทรมานไปแบบๆทุกข์ไปแบบๆคำอยากมันสามารถที่จะเป็นมักก็ได้เป็นเป็นเป็นกิเลกก็ได้เป็นสมุทัยก็ได้ถ้าอยากเราทําให้เราทุกข์อันนี้ก็เป็นสมุทัยนะนะแต่ถ้าอยากเราทําให้เราได้ปฏิบัติไปเรื่อยๆมันก็ไม่เป็นมันก็ไม่เป็นสมุทัยมันเป็นมักคือมันจะเป็นตัวทุกข์นิดๆนะคะพระอาจารย์อย่างเช่นว่า ปฏิบัติทุกวันแล้วก็มีความรู้สึกว่า เ, าเหมือนได้สะสมแต้ไปเรื่อยๆนะคะแต่ลึกๆในใจมันจะมีความกังวลตรงที่ว่ายัางไม่พ้นอบายอย่างนี้นค่ะพระอาจารย์ถ้าสมบูติตายปุบ ป, ปับเนี่ยมันจะยังไงคะพระอาจารย์ถ้ามันไม่พ้นก็ไม่พ้นถ้าจะทํำยังไงได้ใช่มันก็ต้องยอมรับความจริง <c oughs> คือวิธีที่จะทําให้เราอย่างน้อยไม่ไ ม, ไม่ไม่ไปอบายได้คือพยายามทําบุญให้มากกว่าบาป <c oughs> ทำบุญให้มากนั่งสมาธินี่ก็เป็นบุญอย่างทำไหมมากๆนั้นแล้วมันจะจะต้านกำลังของบาปได้ทาบุญในกำลังมากกามันก็จะ อ, ออกผลก่อนแสดงผลก่อนบาปก็ยังแสดงผลไม่ได้ตอนนี้ก็พยายามจะทำบาปทำให้น้อยที่สุดแล้วก็ทำบุญอยู่เรื่อยๆ บุญหลารูปแบบรักษาศีลทำทานทำทานภาวนาทำสมาธิอะไรนี่ก็ควางเทศความธรรมนี่ก็เป็นบุญเก็บสะสมตั้งนว้เรื่อยๆเนื้อกระบากรอย่าไปทําะเนื้อทาให้น้อยที่สุดถ้ามันเลิกไม่ได้แต่ถ้ามันกลัวบาปก็จะไม่ควรมันก็ไม่ไ ม, ไม่ควรจะทาําบาปเพบาปมันเป็นตัวทําให้เราไปลำบาก ถ้าเราบวาัวบาเราก็ต้องไม่เราก็ต้องไม่ฆ่าทำาํำบาปคือตัวสมาธิแล้วก็ตัวเจริตสติเนี่ยโยมพยายามฝึกทุกวันส่วนที่โยมไม่แน่ใจ ค, คือตัวศีลนะคะพระอาจารย์ว่าอย่างเช่นว่าอย่างบางทีถ้าจะให้ไปฆ่าเขาแบบเนี้ยก็คือโยมไม่ทําแต่ถ้าแบบบางทีด้วยความโกรธสะหรือแบบหงุดจะปาบสักทีหนึ่งแบบเนี้ยค่ะพระอาจาอันนี้คือถือว่าเป็นศีลด่างพอนหรือเปล่าคะไม่ไเท่าไหราบมันตีตีโลกนี่แะ ใช่ค่ะหมายความว่าอยากจะเบิดก็หลกสักทีในแบบนี้ค่ะพอาจารย์อ๋อก็อยู่ที่ว่าเราตีด้วยด้วยด้วยเหตุผลัะไรถ้าตีด้วยเอารมณ์ก็องก็ก็เป็นจิเลส่ถ้าตีด้วยเหตุด้วยการสั่งสอนว่ากล่าวตักเตือนเป็นการลงโทษให้เขารู้ว่าทําทําผิดแล้วจะต้องมีโทษนะจะต้องเจ็บตัวจะได้จะได้ปราบเขาได้จะได้ห้ามก็ได้อย่างนี้ก็ไม่บังถ้าทําด้วย ทำด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็เหมาะความเหมาะสมไม่ใช่ฟาอย่างทั้งเขาสลบเลยเกิดไปให้กขารู้ให้เขรู้ว่าเนี่เจ็บนะตอนนี้ทําผิดนี่จะต้องโดนบงโทษนี่ฮะเขาก็จะไม่กล้าทำครั้งต่อไปอือันนี้คือตัวเราจะจะสะรู้ของเราเองใช่ไหมคะว่าที่ทําเนี่ยมันเป็นเพราะโทสะเจือหรือว่าเป็นเพราะเมตตาจริงจอันนี้คือเราต้องรู้ตัวของเราเองใช่ไหมคะวาสนา ก็ท่านใจรอดมันก็เป็นโทรศาพท์นะถ้ามถ้าท่าใจเย็นแล้วก็ถ้าเร า, าไม่ถ้าไม่ใช่เป็นโทรสาพแล้วก็ใจเย็นๆรอร อ, อสักครู่ก็ไนดะ้รอยเหตุการณ์ผ่านไปก่อนแล้วค่อยมามาจัดการทีหลังก็ได้รหรือถ้าจัดการทันทีทันได้ในะกรณีเหมือนกันมันจะได้ อ, อทันเหตุการณ์เดี๋ยวมันผ่านไปแนละ้วมันจะเป็นแต่เราต้องมีความ มีสติพร้อมสติมากๆมีวิเวกามากๆอันนี้เราทําอะไรทําได้เห็นได้ผลหรือเปล่าถ้าเราทำได้เราแล้วถ้าเป็นน้ำนมก็อยากพึ่งไปทำเข้าใจนะกามีอีกเรื่องหนึงค่ะพระอาจารย์อย่างเมื่อวันจันทร์ที่พระอาจารย์เทศนะคะที่พระอาจารย์บอกให้ลูกศิษย์ไปไล่หมานะคะแล้วที่พระอาจารย์บอกว่า เออถ้าไปพูดภาษาภาษาภาษาคนสามันเนี่ยหมาจ่าไปเธอจ่มานจะไม่ฟังอันนั้นนาโยมขากัดเลยพระจาจังมันไม่เข้าใจภาษาคนนายจ่าระชานคือมันมันโดนตรงที่ว่าอย่างตะวันเนี่ยเขาจะมีเพื่อนหลากหลายใช่ไหมค่ะพานแล้วอย่างตอนแรกๆเนี่ยที่เพิ่งมารู้จักกันเนี่ยอโยมจะไม่ได้เอ่าไปไปไปเข้มงวดอะไรงเขามากคือเหมือนกับว่าเราอยากดูนิสัยเขาก่อนว่า เขาจะทํายังไงอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ส่วนมากนี่ก็คือจะจะเป็นแนวดื้อดือทางนั้นเลยค่ะพาร์ชานก็เลต้องหาวิธีต้องหาวิธีปรคับใช่ค่ะพาร์ชานเพราะว่าบางทีนิ่มนวลอย่างเงี้ยเขาไม่ฟังนะคะก็คืออาจจะแบบดบดดุดันดุเดือดต้องมีบ้างแต่สังคมสมัยนี้บางทีมันก็สุดต่อไม่ทันเลยตงเมตตาต้องไม่แต่เด็กเลยอะไรเด็กมันก็เลยได้ใจจริค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ แต่มันาจะเพราะว่าเมื่อก่อนมันสุดตรงมัเต็มมากเกินไปมันก็มันก็เต็มด้วยอารมณ์มันก็ไม่มันก็ไม่ถูกต้องมีทางสายกลางไม่หย่อนเกินไปไม่ต็มเกินไปอันนี้ปัญญาของเราต้องพิจารณาเองใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่ใช่คนเยอะมากคนอยังน้อยแล้วต้องดูเดื่อว่าเรากำลังทําด้วยอารมณ์หรือไม่ อานั่มีอารมณ์อยู่นี่ก็ต้องอยากรูปไปทำอย่างเงีนะ้ยเดี๋ให้สาบสติอารมณ์ก่อนแนละ้วค่อยมาเราค่อยค่อยมาคุยกันแล้วก็มาเราให้เหตุเลายห้เขาฟังว่าทํานี้ไม่ถูกนะอ่าถ้าปล่อยให้ทําไปต่อไปสติทิสัยแล้วเดี๋ยวต่อไปออกไปทํากับสิ่งภายนอกอาจะต้องถูกตำํำรวจก็จลับติดคุกติดตารางได้นะะงั้นก็จะต้องให อยให้ต้องลองโทษอยากให้ทําอะไรอาจจะไม่ต้องตีก็ได้ให้ตัดค่าขนมมาไหมไม่ให้ดูทีวีวันนี้เอาไมอะไรมัไนไม่จําเป็นสมัยนี้ไม่จําเป็นจะต้องตีด้วยไม้เรียบก็ได้พูดด้วยเหตุผลอะไรกรา ก, กำหลักกิเลสเขาไม่ใช่กำหลักน้ำกายตัวที่เป็นปัญหาคือกิเลสคเขานี่เราก็ต้องปราบกิเลสเนี่ยห้ามดูห้ามเล่นเกมหนึ่งวันนี้ทําเล่นเกมหนึ่งวันอะไร ในฐานะที่ทําผิดเราะจะได้มีความสั่งเล่นว่าวันต่อไปถ้าเราห้องปิดเราจะไม่ได้เล่นอก็มีโดนอยู่ค่ะวันเสาร์ห้ามเล่นเกมให้เล่นได้เฉพาะวันเสาร์ค่ะภาษาดีอย่าปล่อยถ้าปล่อยแล้วลูกจะเสียจริงๆคำน้ำลากของพ่อแม่รักแบบไม่มีไม่มีขอบเขตปล่อยให้ลูกทำํำในตามใจลูกอะรเสีย ของโทรศัพท์นี่เด็กแถาแถวบ้านนี่มีเกือบทุกคนแล้วค่ะแต่ว่านี่ยังไม่ให้แล้วก็อย่างนาฬิกานี่ก็ต้องแบบเป็นนาฬิกาที่ไขาลานแบบโบราณมากๆค่ะที่แบบดิจิตอลแบบหรือแบบโทรอะไรอย่างเงี้ยคือต้ก็ไม่ได้อะไม่เอาใช่ดีแแหละเราคเอาโบราณดีกว่าเอาแบบโบราณค่ะแล้วก็คือความอดทนนี่ค่ะพระอาจารย์อย่างบางทีวันอังคารอย่างออทุกวันเนี่ยเขาจะขี่จักรยานไปโรงเรียนใช่ไหมคะ อย่างวันอังคารจะให้เขาเดินไปนะเดินไปเดินกลับฝึกความอดทนอย่างนี้ค่ะให้ฝึกสติไปเดินต่อไปเดินไปให้พุทโธไปด้วยใช่ค่ะแม่งั้นคนจุ๊บใช่ไที่อยู่เขาที่เดินไปทางานพุทโธไปจิตเบาเย็นสบายใช่ค่ะได้อกําลังกายด้วยได้ออกกาลังใจด้วยใช่กเลยสบายใจ เขาก็เดินเก่งอยู่ค่ะภาษาย์อย่างอย่างเดียวใกล้ๆนี้นจะมีเดินมาราธอนค่ะวันละสิบกิโสี่วันรวดค่ะเขาก็เดิน<ม>อยู่ค่ะพะอาจารย์สติไปด้วยเดินไต้องมีสติด้วยถึงจะถึงจะได้กำไรทั้งสองเน่ยโอเคนะท่านอาจารย์ก่อนนะถึงท่านนี้ค่ะพอาจารย์ขอบพระคุณนะวิัยพรมุตบอลทงสายสองหายหนะาับในมรการภาจารย์เจ้าค่ะ ค่ะแลนึกถึงนึกถึงพระอาจารย์ตลอดเวลาเจ้าค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์ยอมไปอินเดียแล้วยอมปิติมากเลยเจ้าค่ะแล้วยอมซาบซึ้งแล้วหลวงพ่อท่านนําทุกสถานที่สี่สังเวก เ, เกิดตัสรู้แสดงธรรมแล้วก็นิพานแล้วท่านก็เทศ ท, ทุกทุกที่แล้วก็ท่านก็นําสมาธิทุกที่อย่างถึงใกล้ชิดมากเลยค่ะแล้วก็ทำให้โยมมีความศรัทธา ม, มากมาก ม, ากมากเลยค่ะพระอาจารย์ พราะเห็นว่าทุกอย่างทุกอย่างมีมีให้เราเห็นหมดเลยค่ะว่าสถานที่เกิดของท่านสถานที่ประเสริมีวังของท่านทุกอย่างคือมีเสาเสาเสาโศุทุกอย่างมีหมดเลยค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ตอนแรกโยมครั้งเมื่อก่อนสมัยก่อนนะคะโยมคิดว่าจริงเหรอมันคือนิทานหรือเปล่าเนี่ค่ะพระอาจารย์แต่พอเราไปถึงสถานที่จริงเราโอ้มันมีจริงเนอะอะไรเงี้ยค่ะยังมีซาบประหลาดพังให้เราได้ระลึกถึง องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เจ้าค่ะแล้วก็ตอนที่ท่านเทศตอนที่ท่านทรงดับขันนะคะปิติน้ําตาไหลเลยเจ้าค่ะดีมากเลยเจ้าค่ะอาจารย์ค่ะไปไปเพื่อเสริมศรัทธาให้มั่นคงใช่ค่ะพระอาจารย์ใช่ค่ะเราไม่สงสัยไม่สงสัยนะครับพประธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่ใช่เจ้าค่ะแล้วก็ทางโน้นเขาลําบากอันมากเลยนะคะพระอาจารย์ทางคนอินเดียค่ะบ้านอยู่เขาน่าสงสารมากเลยนะค่ะ แล้วก็ตอนที่โยมขึ้นเขาพิจกุดโยมซึ่งว่าโยมได้ทําบุญสะใจมากพระอาจารย์โยมแจกทานแบบมีความสุขมากๆเลยค่ะ mm hmm. แล้วโยมก็เลยนึกถึงอ๋อขนาดเราเห็นเรายังรู้สึกแบบแบบสังเวชปองสังเวชถุงสารแล้วแล้วแล้วแล้ ว, ลวพระองค์ท่านนะคะตอนนี้ท่านอยู่ในเมืองท่านสุขสบายทุกอย่างพระอาจารย์แล้ววันหนึ่งท่านออกไปอ่ะท่านจะสลดสังเวชขนาดไหนพระอาจารย์ mm hmm. ใช่ไหมเจ้าคะใช่ใช่ท่านจะลำบากขนาดไหนะจากกษัตริย์มาเป็นขอทาน ใช่ค่ะสุดมสทำถ้าไม่มีความแนวหน้่ต่อความปรารถนาในการพ้นจากความคิดท่านคงไม่ไปนะใช่เจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะโยมเราต้วเรามาคิดเป็นตัวอย่างแล้วเราเป็นยังไงบ้างห่างไกลเยอะเจค่ะพระอาจารย์เราก็าต้องทำใมันใกล้เลยค่ะยิ่งตอนนี้ตอนนี้โยมโยมอย่างที่พระอาจารย์บอกเลยค่ะอืโยมสร้างบ้านอีกหลังแล้วจะค่ะพระอาจารย์ ภาษาแซมเราภาษาแซมด้วยดูวะ <c oughs> ไว้เป็นที่ตอนแก่บ้านพักคนชราเจ้าค่ะ <Okay. S 2> ค่ะไว้จุดตอนแก่แล้วโยมโยมซื้อผ้าผมมาให้พระอาจารย์เพราผมตอนหน้าห่าวค่ะแล้วเดี๋ยวโยมไปถวายพระอาจารย์นะเจ้าค่ะใช่สาธุสาธุค่ะพระอาจารย์ค่ะ <Okay. S 2> ค่ะไปที่คุณจุติตอบบัวเบ <c oughs> ใช่ไหมที่เ <c oughs> ดินไปทํางานให้อาทิตย์แล้วเห็นว่าเรานั่งอีกคน อาทีนี้อาทีอทีนี้มารายงานค่ะพระอาจารย์อย <Yeah. S 2> ่างนี้คาหนูหนูไปทำงานก็ ค, คือป้าคนที่มักจะหาเรื่องมาตำหนิหนูอยู่เสมอเนี่ยค่ะ <Yeah. S 2> วันนี้วันนี้หนูก็ไปทำงานเปลี่ยนเปลี่ยนเวนเปลี่ยนเวนกันช่วงเวลาที่เปลี่ยนเวนกันเนี่ยปกติคนญี่ปุ่นเขาก็จะต้องทักทายคนที่อยู่รอบๆตั ว, ต, วตัวเรานะคะกอนิจิวาก็นิจิวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าป้าคนนี้ เผอวันเนี้ยเขาได้อยู่ข้างๆหนูพอดีเลยเขาทํางานข้างหนูพอดีเลยหนูก็ไปทักทายเขาสวัสดีค่ะอะไรแบบประมาณนี้นะคะเขาก็ทําเป็นไม่เห็นหนูอะค่ะทําเป็นไม่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทั้งๆที่น้ําเสียงของหนูทักกับอีกคนที่อยู่อีกข้างหนึ่งเ <MO BI> ขาได้ยินแล้วเขาก็ตอบกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่แต่หนูดีใจนะคะที่ว่าวันเนี้ยหนูผ่านหนูหนูสู้หนูผ่า น, น, น, า น, านเพราะว่าเขาทําอย่างนี้มาคําของพระอาจารย์ ขึ้นมาในหัวหนูเลยคะ่ะว่าเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วถึงไม่มีเราเขาก็เป็นแบบนี้แล้วก็ให้มองเขาเสียว่าเขาเป็นกระจกสิ่งที่เขาเคยตําหนิหรือหาเรื่องมาตําหนิเราเนี่ยเป็นกระจกอย่างดีให้กับเราเลยมันกลายทําให้หนูมองเขาอย่างมีเมตตาขึ้นนะคะพระอาจารย์แบบวันนี้หนูเลยรู้สหนูหนูไม่หนูไม่กระเพื่อมเลยคะ่ะทํางานไปด้วยแบบจิตใจเบิกบานปกติเลยคะ่ะพระอาจารย์ขอบคุณมากนะคะ ต, ต้องควรจะทำกับทุกคนไม่ใช่เฉพาะเขาอาจจะมีคนบางคนเกาอาจจะก็ไม่ปรารถนาดีกับเราไม่ชอบเราก็ได้ เ, เราก็ต้องหัดทำใจไม่ใช่อะคนนี้คนเดียวพอเจอ ค, คนหน่งก็สอบตกอีกค่ะหนูก็กลัวอยู่เหมือนกันค่ะอาจารย์ก็ต้องมีสติ <c oughs> คอยเตือนใจว่าอย่าไปหวังอะไรจากใครเขาอย่าไปหวังให้มันต้องมาดีกับเราเ เราไม่อยากจะไม่ดีกัขนของของเขาไปครับหักเขาไม่ได้น้อมรับคำสอน ข, ของพระอาจารย์ไว้ในใจะพระอาจารย์อย่าถ้าเราไม่หวังอะไรเราจะไม่ค่อยผิดหวังแต่ถ้าเราหวังแล้ว ม, ม, ม, มันมีโอกาสจะผิดหวังได้ต่อไปนี้จะพยายามจะไม่หวังจะไม่หวัง อ, อิจฉาเยครับยังเดินไปทํางานอยู่เปล่าอ้อ วันนี้วันนี้หนูไม่เดินค่ะพระอาจารย์หนูวันนี้หนูไม่ไม่ไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นวันนี้ปั่นจักรยานไปค <า S 1> ่ะพรอาจารย์หนาวไม่ช่วยทีย่บรรย า, ากาศนะอากาศดีขึ้นแล้วค่ะสิบเจ็ดองศาค่ะพระอาจารย์แต่ตอนนี้นมันเกสรเกศ น, อนดอกเกสรสนนะค ะ, คะพระอาจารย์ช่วงเนี้ยเป็นหวัดทุกคนจะแบบจามกันเสมอเลยค่ะปีนี้มากหนักกว่าปีที่แล้วอีกค่ะพระอาจารย์ก็ดี ถ้าเดินได้เอากับเดินไปก็จะเดินถือว่าเป็นการเดินโยกมือไปก็ดีคราที่แล้วตั้งแต่วันนั้นที่หนูเดินนะคะหนูหลังจากวันนั้นหนูก็เดินไปอีกสองครั้งนะคะพระาอาจารย์แต่ว่าเนหนูเดินเยอะไปหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนสะพ่อสะพ่ออะคะอาจารย์มันมัน เสบหรือยังไงมันกลับามาบ้านแล้วมันปวดมันเมื่อยอะค่ะก็าจะเป็นไปได้ช่วงแรกๆถ้าเราไม่เคยเดินเยอะพอไปเดิทีม่มนก็ทาให้ร่างกายมันเจ็บได้ก็ต้องปรับตัวตามค่อยๆเพิ่มไปก็ได้แบบแล้วทแบบโอ๊กข่างกายก็รับปรับตัวไม่ทันก็ทาให้การรกษเจ็บตรงนั้นปวดตรนี้ได้ค่ะอาจารย์ก็พาไปปัญหาก่อนแล้วไปเดินใหม่ได้ไม่ต้ อ, องไปหัข การเดินจงกรมนี่ก็คือมีสติกับเท้าทุกอย่างเท้าก็ได้เลืนพุโทโธไปก็ได้เท้าไปซ้ายขวาซ้ายขวาไปแล้วดูไปก็ได้ตอนนี้เรากำลังเดินซ้ายเดินขวาไปค่ะพระอาจารย์คหนูจะพยายามออกไปปฏิบัติค่ะถ้ามีเวลาในในกหนูจะพยายามเดินไปค่ะอ า, าจารย์เป้มายก็คือไม่ให้เราไปคิดอะไรไม่ให้องไป ไปคิดไปวุ่นวายกับดรงนั้นแรื่องนี้คนนั้คนนี้ให้อยู่กับการเดินมาเราไปค่ะขอบคุณเวลาเวลาเราไปเจอใครเราก็เฉยเฉยได้ไม่ไปวุ่นวายไปกับเขาค่ะขอบคุณกับคําสอนของพระอาจารย์ว่านะคะช่วยหนูพระอาจารย์หนูดีใจมากๆเลยค่ะที่ทางผู้จัดทําทําำการเรียนรู้แบบนี้ค่ะเพราะเหมือนกับได้ได้สื่อสารสองทางค่พะพระอาจารย์ <cin stereotype> <dragging> ขอบคุณทีมงานก็ขอบคุณพระอาจารย์มากๆนะคะอสาธุทีมงานเขาคงจดีใจค่ะขอบคุณยังไปที่ท <diving curs CDU> okay. ่านต่อไปค่ะคุณหมอนังทีดานันทีดาก็ทำมองเอานามสกุลพระอาจารย์ก็โยงก็ยังปฏิบัติต่อเนื่องสัะก็คืออยากจะเน้นสมถรใคาให้มันแน่นแนบแนบนะจังคาพระอาจารย์ ก็มีคำถามเกี่ยวกับเออนาปันสติเนี่ยเ็นเจค่ะอาจารย์ว่าเอในช่วงที่ระหว่างลมอยากไปลมละเอียดนะเจ้าค่ะเราสามารถที่จะประคองแล้วแบบค่อยๆระงับมันลงไปได้หรือเปล่าเจ้าค่ะอาจารย์เราไม่ต้องไปทำไรกับลมเลยมันจะอยากอยากละเอียดในป่าย์มันเปิดไปตามธรรมชาติเพื่เรามีหน้าที่ดูมันเฉยๆนะจำค่ะถ้ามันอยากคนรูว่ามันอยากไม่ต้องไปพยายามทำให้มันละเอีย ไม่ใช่น่าเที่ยวเราแต่รู้น้าเที่วเราเป็นให้รู้เฉยๆพอถ้าไปพยายามปรับลงเนี่ใจเราจะไม่นึ่งใจจะต้องทํางานแล้วกายให้ใจไม่ทำอะไรให้รู้เฉยๆจำขาดใจแต่อย่างถ้าเออเวลาที่เรานั่งแล้วเรารู้สึกว่ามันมันเหมือนมันละเอียดแล้วเราก็ดูมันไปแบบนั้นเลยก็ดูเฉยๆมันก็ดูละเอียดหรือดูเหมือนตอนที่มันหยาบ มันหยากบก็รู้ว่ามันหยาบมันละเอยด ก, ก็รู้ว่ามันละเอียดก็ทางนั้นให้ร่วมมีการเปลี่ยนแปกไปตามสภาพความเมงเป็นจริงตรั้เจ้าค่ะแล้วคือเราเหมือนเราก็อาจจะต้องรู้ความร้อนความเย็นไม่ต้องอะไรไม่ตม้อง้อะไรรู้ที่รู้ร้อนอย่างเดียวไม่ต้องไปรู้ร้อน ร, รู้เย็นอะไรรูร้เข้ารู้ออกแค่พอเจ้าค่ะ ออกข้าวออกหายใจลึกหนี้จออกหายใจเข้าไปนุด เ, ออเดี๋ยวมันาหายใจออกแต่อย่าไปบังคับอย่าไปอย่าไปหายใจปล่อยให้ส่างกายมันหายใจมันเองอย่าไปาบังคับมันอย่าไปให้มันบังคับให้มันหายใจเข้าหรือหายใจออกยาวไม่ต้องปล่อยไปหายใจออกมาดีเหมือนตอนเนี้ยเราคุยกันเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปบังคับลมใช่ไหมปล่อยไปหายใจมันเอง เจ้าค่ะพรอาจารย์เออแล้วถ้าคือถ้าเรารู้สึกว่ามันมันเหมือนมันเหมือนหยุดอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพาอาจารย์คืออันเนี้ยคือมันจะจะหยุดได้นานหรือเปล่าเนี่ยขึ้นกับกําลังกําลังความตั้งมั่นของเราอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเจ้าค่ะคือเหมือนบางทีอะไรมันเหมือนบางทีมันรู้สึกว่ามันมันลมเนี่ยมันมันเหมือนหายไปจากความรู้สึกแล้วสักพักมันก็เหมือนเพื่อเขึ้นมาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ ก็ดูไปดูตามความมันิีไปไม่ต้องทำอะไรมันดูนั่งนั่งดูหนังไปนะนี่ใจแล้วจ้ะค่ะไม่ต้องทำอะไรให้ดูเฉยฉอย่าไปคิดปรุงแต่งอย่าไมีอะไรคับอไม่มีปฏิจยาอะไรกับสิ่งที่เราดูไม่ดูเฉยดูเฉยแต่ว่าคุณเจ้าค่ะพระจ ก็น่าจะดีคือพดีเพิ่งผ่านวันเกิดอยู่มาเจ้ค่ะอยากจะขอสักครั้งนึงที่าาอาจารย์เวฟอนวันไปเกิดจ้ะอาจารย์ก <c oughs> ขอให้ได้วันไม่เกิดแล้วเร็วนี้ก็รับกันนะพรอ่นชานี้เลยสาธุสัครั้อาจารย์ <c oughs> เดี๋ยวขอโ อ, อ, อ, อกาส อ, อาจารย์ต่อชาอาจารย์จากรำลการครับแต่ครับอาจารย์คือได้ยินตะกี้ได้ยินพระอาจารย์ ให้คำแนะนให้คำแนะนำว่าอาจารย์ให้คำแนะนำว่าว่าให้การนั่งสมาธิให้อยู่กับแค่ลมหายใจอย่างเดียวหรือว่าคำบริกรรมอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ก็รู้กายอย่างเดียวอันนั้นอันนั้นอันนั้นเข้าใจถูกไหมถูกต้ อ, ตอเป็นไปได้ถ้ามันตอเนเริ่มต้นถ้ามัน ทำให้อยู่แบอย่างเดียวไม่ได้ไมามถ้ามีสองอย่างช่วยกํากับแล้วาสองอย่างไปก่อนก็ได้แ็พ่พอใจเรื่องเบาลงเรื่องเรื่องชิดน้อยลงแล้วสามารถดูอย่างไ ด, ไไได อ, ยอย่างหนได้ก็อย่างใดอย่างนึได้มาอืมก็คือก็คือถ้าถ้าเมวยกามพุทโธก็มวยกามพุทโธไ ป, ไปโดยไม่ต้องตามลมจังหวะลมหายใจเลยใช่ไหมใช่าาใช่มันสบายกว่าไม่ต้มาปุกกัน ไม่ตมักต้องวนางวินทีเราอาจะต้องเด็งมาเลื่อนทำาห้เปช้าเร็วได้ตามตามตามอัตยาสายสได้แล้วก็มีคําถามก็คือว่าอยากอยากทราบว่าพอดีว่าอุเบกขาที่ ท, ที่ที่เกิดจากสมาธิเนี่ยเรากับกับอุเบกขาที่เราแบบวางเฉยก็คือไม่ไม่สนใจเรื่องราวเนี่ยมันมันมันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงอาจารย์ต่างกัน คือเบกาเราสนใจเรื่องราวแต่เราไม่มีอารมณ์ของสิ่งที่เราไปสนใจนะครับเราเห็นแล้วก็เฉยๆไม่ได้มีนักไปชัน ไ, ไปกลัวไปหลงกับสิ่งที่เราได้รับเลย ซ, ซึ่งถ้าเราทําทําได้อย่างนี้เหมือนกันก็คือแม้ว่าเราไม่ได้ออกจากสมาธิแต่เราเฉยๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย ก, ก็ถือว่าเราอุบเบกขาเหมือนกันใช่ไหมพ่ะจาัน ถ้าเราไม่มีอารมณ์ไม่ ไ, ม, ไ ม, ม่เวลาขายาันเราเราก็เฉยนักขยันว่าเรามีอะไรขายเวลาใครขโมยของเราแล้วก็เราก็เฉยได้ไม่าขายนต้องดูเหตุการณ์ที่มากระทบแรงๆจะรู้ว่มัเบกขาจริงรู้ไหมเวลาเราไขขึ้นมาปวดขึ้นมาไม่สบายขึ้นม า, า, าแล้วโก็เบิกขาอย่างนี้เราเฉยๆไว้ไม่มันไม่สบายก็ป่วยไม่สบายไป ไม่ใช่เกิดอารมณ์โง่เหี้ยขึ้นมาเนี่ยแต่ไหนว่าไม่ไม่เป็นเบรกขาือเพราะว่าที่ที่ถามเนี่ยเพราะว่าที่พระอาจารย์บอกว่าเวลานั่งสมาธิเนี่ยให้ให้นั่งให้นั่งจนสงบจนจนมีอุเบกขาแล้วค่อยถอนจากสมาธิมาพิจารณ์เนี่ยก็เลยจะเห็นว่าไม่ไม่ถอนไม่ถอนนะให้ให้นั่งจนจนกว่ามันจะหมดมันจะมันหมดกําลังมันจะออกองกมานเองถ้ายังไม่มี ยังยังนั่งได้นานเท่าไหร่ก็นั่งไปไม่ใช่ว่าพอพอสงบปั๊บก็จะถอนออกมาไม่ใช่พอสงบปั๊บต้องรักษาให้มันสงบไปเรนนื่อยๆคนที่เพิ่งนอนหลับเนี่ยเพิ่งไปปลุกให้มันขึ้นมาทํางานพอให้นอนจนอิ่มจนพอแล้วค่อยให้ให้ตื่นขึ้นมาเองแล้วก็เอาไปทํางานทำเวลาพูดไปแล้วทําบรรตามีความหมายส่วนใหญ่คิดว่าพอจิตสงบแล้วาไปพิจารณาทางปัญญาอะไนี้ไม่ใช่ ใช่ไหมคือมันคนนอนหลับปั๊บแล้วก็ปลุกขึ้นมาไปทํางานเติ่นไปทํางานเลยมันไม่ใช่พอนหลับแล้วก็ปล่อยให้มันหลับใช่ไหมครัมันมันตื่นของมันขึ้นมาเองมันมันหลับพอแล้วมันมันได้ท่าผ่อนพอแล้วมันก็จะเติร์นขึ้นมาเองตอนนั้นนถึงจะเอาไปทํางานต่อได้ก็คือก็คือตัวอุเบกขาที่ใช้พิจารณาในชีวิตระหว่างประจําวันเนี่ย ก็คือเกิดขึ้นจากการที่หลังเรานั่งสมาธิมายาวนานอย่างนี้ใช่ไหมพระอาจารย์ใช่ออกมาแต่ถ้าเราไม่ไม่นั่งบ่อยนั่งน้อยมันออกมาได้แป๊เดียวมันก็หายหมดนะใช่ครับเข้าใจแล้วครับถึงต้องเข้าบ่อยๆนั่งสมาธินั่งปฏิบัติจริงๆเข้าเข้าๆทั้งวันทั้งคืนอยู่กับสมาธิกันเดินจยคมุมสองอย่างเนี่ยอย่างนั้นอ่ะจะช้าเบะขาออกมาแล้วจะได้มีนานขึ้น แต่ที่ขนาดนั้นมันก็ยังมันยังก็มันยังหลุดได้เพราะมันไม่มันยังไม่มีปัญญาบางทีเผลอมันก็มันก็หลุดได้ถ้าไปเจอกับเท่าปราแรงบงที่อุเบกขังก็หลุดได้เช่ใครมาเอาของที่เรารักไปนี่มันได้อุเบกข้ายังไงบางทีมันก็เอาไม่อยู่อนกครับตอนนั้นเราจะถึงท่าวาฝึกใช้ปัญญาต่ออีกทีอืม เอาให้แาสิ่งต่างๆสิ่งที่เรารักนี่มันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดอมันดีก็ดีมันอาจจะต้องจากเราไปถึงกระทันทันทีทันใดก็ได้เราเตรียมตัวรับเหตุการณ์ไหมคือคืออย่างในในอย่างที่ที่พูดกก็คือถ้าสมมติแบบเราแล้วมันมันต่างอย่างกับการที่แบบเราทําอะไรไม่ได้แล้วเราเข้าใจตีเองกับการที่เราเราเอ่อเรา เข้าใจเช่นสมมติของหายไปแล้วเนี่ยแรกๆเราก็อาจจะเสียใจแต่ต่อไปเราทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องยอมรับความจริงเอง เ, องเนี่ยอันนี้อันนี้มันก็เป็นวิปัสนาเหมือนกันไหมครับใช่เขาเป็นปัญญาแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปเปี่ยนแต่งได้นะอ้อยเข้าปากช้างไปเราจะไปเอาอ้อยออกมาก็ออาไม่ได้ขโมยเข้าไปเ ข, ข้าไปแล้ว ถ้าเราไม่ยอมไม่ยอมรับความจริงเราก็จะเครียดจะทุกข์อยู่ไม่เมนะฮะวิธีนี้เอาเอากลับมาให้ได้อถ้าเราบอกมันไปแนละ้วเอากลับมาไม่ได้แนละ้วยอมยอมให้มันไปปล่อยไปปล่อยว่าเรามันจะกลับมาเป็นปกติได้ไม่ทุกได้เข้าใจครับสจะไปลองฝึกฝึกการอยูส่วนอย่แล้วก็มีโอเบคขาตอนนี้เราก็มีโอเบคขา แต่พอมันไปเห็นอะไรปั๊บได้อยินอะไรปับ๊บเนี่ยโอ้เบิกขามันจะหายไปทันทีไปแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวไม่มีอะไรเหตุการณ์มากระทบกับเราส่วนใหญ่แล้วก็ไม่มีเบิกขาอยาอู่แต่จะน้อยมากอาจจะแบบพอเวลามากระทบก็พรายหายไปทันทีเลยแปลบางทีแปลว่าถ้าเราอยู่ในภาวะ ป, ะปะกติก็ สามารถที่จะพิจารณาปัญญาได้ใช่ไหมครับได้ได้ตอนนี้ก็พิจารณาได้เพียงแต่ว่ากิเลสมันจะให้เราพิจารณาหรือเปล่าเวลาสุภาพเนี่ยมันมันจะอนุญาตให้เราพิจารณาหรือเปล่ามันจะยิงเราไปคิดเรื่องอื่นซะหมดการเดินาพิจารณาสุภาษณ์นี่มันไม่ใช่เป็นของได้ทอาทิตย์เนี่ยได้พิจารณากี่ครั้งนะโอ้ไม่ก็เฉพาะที่เวลาที่เราตั้งใจจะพิจารณาจริงกันเอง มันต้องตั้งใจนัพิจารณาบ่อยๆมันถึงจะจำได้แล้วต้องการส่วนางกระทั่งเวลาเรามองเห็นใครนั้นต้องเห็นทะลุเข้าไ ป, ไปใต้ถึงนั้นก็เลยดั mm hmm. นั้นต้องอาใส่พิจารณาบ่อยๆอย่กระทั่งมัน mm hmm. มันจำนานมันติดเป็นนิสัยขึ้นมา mm hmm. แต่บางทีเราจำชื่อคนได้ใช่ไหมเดีย๋ยวใครจับชื่อก็ได้ mm hmm. แต่แต่จำว่าปลอดตา รําใชเขาไม่ได้มองไม่เห็นครับเพราะเราไม่มองเราไม่ตั้งใจจะมองนอ <c oughs> แล้วตั้งใจจะมองแต่ชื่ออะไรเงินเดือนเท่าไหร่คําว่าอะไรบ้านอยู่ที่อไหลจำได้หมดนะแต่ปอดตับไตใช่ผมีมองไม่เห็นเลย <c oughs> ไม่เคยเห็นเลยไม่เคยมองเลยครับอย่างเ้าต้องมาเปลี่ยนวิธีมองอย่างเรียกเป็นวิปัสสนา S <S <an> สิ่ง <S an> <ส> <S an> ที่เรามองว่าเนกิเลสทันั้นน่ะชื่ออะไรครอบครัวนามสกุลอะไรมีเงินเดือนอะไรขับรถกี่ข้ออะไรนั่นกิเลสทั้งนั้นนะเราจะมองก็ต้อง <S <S <an> <S มองเห็น ก, ะกะนนระโหลกศีรษะเขาเห็นคอมมันดูเขาเห็นเห็นปอดเห็นลำไส้เห็นตับเห็นไตเขา <S an> เ, ออเรียกว่าวิปัสสนาปัญญาเยพิจารณาได้ทั้งวันทั้งคืนแต่ จ, จะพิจารณาหรือปล่า พิจารณาไม่ได้หรอกเพราะว่ากิเลสมันมีกำลังมากครับน้อมนำไปใช้ครับอันนี้พิมพะพูดด้วยฝากเดี๋ยเข้าใจว่าปัญญาอจริงๆมันเป็นยังไงอืมครับเข้าใจครับโอเคไปนะนอ่าพระสกุล น, น้องแม่ตาแม่บนะิดาท่านี การนรมัสการค่ะบค่ะอาจารยาาว์วันนี้ไม่มีคำถามค่ะคุณหมอชูตาเสนย์ประทุมานีนรมัสการธรรมอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ไม่มีคาถามค่ะลูกสาววันนี้ไม่มาฟังด้วยก็มากราบธ่ามอาจารย์แล้วลงไปชั้นล่างแล้วเจ้าค่ะไปแล้วไปตามภาษาเขอนี่จีเรศทำ่มถ้าเป็นธรรมะเราจะนั่งฟังต่อ โอเคงัน okay. ไปที่คุณสุภัตราอยู่เท็กซัสกรับนมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะรู้ไม่มีคําถามเจ้าค่ะวันนี้ขอร่วมฟังเจ้าค่ะวันที่แล้ว เ, เลยใส่องไงอากาศเริ่มลงอีกแล้วเจ้าค่ะค่ะคือ <c oughs> ก, ก็บอกอุ่นแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอุ่นตอนนี้ก็ลงมาอีกเดี๋ยวก็อุ่นอีกเจ้าค่ะนนสลับไปบอากาศมันค่อนข้างผิดปกตินะใช่ไหมเม่อต่ำมมันจะไม่ค่อยแปรปรวนแบบนี้นะ เออค่ะเนี่ยเข้าจะเข้าสปริงแล้วค่ะเนี่ยสัปดาห์หน้าก็สปริงแล้วอะค่ะเออค่ะสลับไปสลับมาเลยตอนนี้เลยไม่ค่อยสบายเท่าไห ร, ร่เจ้าค่ะภูมิแพ้กำเริ่มโอเคการรักษาตัวเดงกันแล้วกันนะถ้าที่จ้รักษาได้เออค่ขอคะค okay. ขอบคุณเจ้าค่ะโอเคคุณเอกจากเชียงรายเชิญคุณเองกราบรัสการพระอาจารย์ครับ สดาห์นี้ก็ไม่มีคําถามต้ออาจารย์ต้องมากราบพระอาจารย์ครับโอเคครับครับไปเรื่อยๆนะรักษาใจให้ดีให้เป็นอมตะให้เดือดรอนไม่วุ่นวายไปกับใครนะกรรมเหตุการณ์ต่างๆหรือว่าเป็นหน้าตาบางอย่างนะหน้าตาครับผมก็วันวันพระที่ผ่านมาก็ฟังพระอาจารย์เเดออที่ว่าไตรักนะฮะก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับด้วย อมันเป็นกฎของธรรมชาตินะครับใช่เจมขึ้นมาเลยครัเจมชัดมาเลยออนนีจังกับอาณาตาครูอาจารย์ครับงานช่องอย่างทุกอย่างในเรา่อนี้เป็นอนิีจังอาณาตาครับผมทุกครั้งอยู่ใจเราใจเราโน่นเลยไปทุกข์มาเข่าครับผมถ้าใจเราฉลาดเราก็จะไม่ทุกข์มาเข่าครับผมครับผมน้องไปปฏิบัติครับแล้วก็โอกาสนี้ก็ขอบคุณพอาจารย์นะครับที่สั่งสอน อมาโดยตลอดนะครับโอกาสขอบคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงครับยินดียินดีขอให้ท่านผ่นอาจารย์แข็งแรงครับผมทำหน้าที่ต้องจ่ายค่าข้าวค่าบ้านค่าน้ำตอนที่มันน่าจ่ายค่าข้าวค่าน้ำอยู่เนี่ยกลับคงกลับคงกลับไปเดี๋ยวจะจำบ้างในต่างว่าบวชเสียข้าสุกชาวบ้านสบวชแล้วไม่ทำอะไรเลย ก็พอไม่แล้ครับเว่าเว่าที่ที่ผมเจอกับพระมาก็ถือว่าพระอาจารย์มีนมิตามีมหานมิตามากเลยครับที่ที่สั่งสอนลูกศิษย์ครับทุกคนนะครับมีนมิตามากครับกับรับฟังทุกปัญหานะครับคุณเหมือนกับภาษาอังกฤษบางครั้งหมก็เข้าฟังบ้างครับอาจารย์อก็คุยในเรื่องปัญหาแบบทรื่ส่วนตัวมากมากไปครับโตฟังพระอาจารย์มีนมิตามากรับฟังนับฟังทุกทุกท่านนะครับ ก็ดีเราศึกษาไปได้ฟังเรื่องราวขอเขาไปแล้วก็ศึกษาไปครับผมครดีมันก็เป็นประสบการณ์แล้วก็เอามาประกอบเป็นเครื่องสอนคนอื่นได้ด้วยเรื่องของคนอื่นต่างๆที่เราได้ยินนะบางทีมันเข้าประเด็นธรรมแล้วก็เอามาใช้ได้ครับผมครับครับครับผมปฏิบัติยืนทุกวันครับอาจารย์ครับกับวิทยาความเพียรเป็นสิ่งสำคัญหมดพ้นจากความทุกได้ด้วยความเพียรนะ ครับผมครับผมครับผมสวัสดีคุณมาริการาที่ว่าาริการากลบนำมักการเจ้าความพระอาจารย์ค่ะก็เข้าต้องทุกต้ก็โอกมันไม่ผ่านเลยค่ะพระอาจารย์มาทำการบ้านน้อยไปหน่อยมันยังไม่ผ่านทการบ้านก่อนพระอาจารย์เพราะว่า เพื่อนมาขอยืมเงินแล้วเราไม่ให้พอไม่ให้เขาก็าไม่พูดด้วยเรากลับเสียใจในข้อที่หนึ่งข้อที่สองญาติเสียพอญาติเสียเราไปเสียใจแทนพ่อแม่เขา<ม>ว่าเออนะเขาอายุยังน้อยแล้วก็ อ, อน่าจะเป็นเสาหลักของบ้านของครอบครัวแต่มาเขาเสียใจก่อนส่วนเรื่องที่สามนะครับอาจารย์ก็คือเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของเขาเขามาเล่าให้ฟัง เสร็จแล้วเราก็ทุกแทนเขากับพระอาจารย์เราไม่มีวุ่นวายขาสัตว์แ<อ>ต่งลูกเฉใช่กับพระอาจารย์นั่นสิมันทําให้จิตใจของเรามันมันซึง ม, มันมนึมนๆไปค่ะพระอาจารย์ทําให้เราปวดหัวค่ะพระอาจารเราถูกไอ้ที่วนของความรัดความกลัวความแล้วความหลงครอบเนีย ม, มันใจก็เลยต้องไปกับเขาใช่ค่ะ เห็นต้องต้องพิจารณาว่ามันเป็นธรรมดาเรื่องของเกิดแก่เจ็บตายเรื่องของสุขทุกข์ของแต่ละคนมันเป็นเรื่องของวิบากกรรมกกขเขาเป็นเรื่องอะไรไปถ้าเราช่วยเหลือได้ก็ช่วยไปช่วยเหลือไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขาไปอยแต่อย่าไปทุก ข, ข์กับเขาทุกข์ก็ไม่เป็เปลี่ยนแปลงอะไร น้องนำคำสอนค่ะเข้าใจค่ะอาจารย์ต้องฝึกสติให้มากเพ้่มฝสติฝึกสมาธิแล้วฝึกปัญญาด้วยนีฮยปัญญาแล้วก็คอยสอนในโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้มีมีขึ้นมีนงโลกกระทาแปดเจ้าค่ะโอเคไปที่คุณตายมาหาคุณตายพัทยาน้องการนมรสการครัอาจารย์ ก็ว okay. ันนี้ก็สติแตกเข้าอาจารย์มีแต่สอบตกมีแต่สอบตกใช่มวันนี้ท่านเลยก็อลงนี้มันไม่ได้เกิดมานานแล้วะครับอาจารย์ก็เพิ่งมาหายท้องโซูมเนี่นะคะแต่ก็คือประมาณว่าอ่าเป็นคนขี้น้อยอกน้อยใจใช่ไหมครอาจารย์และอาการนี้มันก็ไม่มีมานานแล้ววันนี้รู้สึกว่า น่าจะโดนขัดใจแล้วก็วีนเวียงโอ้โหคือทา<ช>ําดีแล้วแล้วก็คนมองไม่เห็นความดีของเราแล้วก็มาว่าเราอย่างเนี้ยค่ะว่าจ่าใช่เราอยากให้เขาเห็นเห็นเราว่าดีใช่ค่ะถ้าเรามไม่มีความ <ๆ S 2> อยากแล้วก็เฉย ๆ, ๆ, ๆไปไม่เห็นไม่เห็นก็นเรื่องของเขาเราก็ดีของเราอยู่แล้วถ้าเราดีาใครจะเห็นไม่เห็ น, นไปเปลีป่ยนแปลงที่ไหนนะ ก็เราก็พยายามทอย่างอย่างได้สรรเสริญอยู่ยังอยากได้สรรเสริญยากได้คำขาดนะคะที่ไม่ถัานเพราะว่าอาจารย์เทศครั้งต้นๆมาเราก็ฟังแล้วก็เอเราขาดเราขาดตรงนี้พอเราอยากอยากตัวเดียวก็เลยทําให้เราขาดสติทุกอย่างก็เลยแบบพังมไปหมดเลยก็เลยขายนะคะตอนนี้ก็คือแบบปล่อยปล่อยวางแล้วค่ะก็สองตก มันไม่เป็นไรอยู่แล้นขอให้มันผ่านไปแล้วก็แล้วเลิเลยมันเสียอย่าไม่ถ้ายังทุกถึงตอนนี้อยู่พัฒนาว่าใช้ไม่ได้เลยไม่ครับเพราะอาจารย์พูดต้นๆเรื่องแต่ตั้งแต่ความอยากต้นๆแล้วหนูก็เลยโอวันนี้เราเราพลาดเราสารพัดก็เลยแบบว่าเออรู้ตัวก็คิดว่าไอความไม่เกิดมานานค่ะไอความไม่เกิดมานานเนี่ยมันก็เลยกลายว่าพอข้อสอบโผล่ขึ้นมาปุ๊บเรา <peach> เราคิดว่าเราผ่านมาตั้งนานแล้วแต่ว่ามันมันไม่ได้เลย <g ill> <g ill> ก็ดีไม่เป็นไรมันจะได้มาเตือนเราว่าเราต้องมาทำข้อนี้ไปต้องเพิกไปค่ะค่ะพระอาจารย์วันนี้ก็ไม่มีอะไรก็มีแค่นี้ค่ะที่พลานวันนี้ค่ะโอเคสาธุค่ะสาธุพระสารขอบคุณค่ะน้องอ้อมจากบอเวนเทอร์เบรยน้องอ้อมค่ะน้ามาสการ์ค่ะ ออมีมีหนึ่งคำถามค่ะผอาจารย์ถ้าสมมุติว่าเราพาพ่อแม่ไปกินอาหารทะเลแล้วท่านสั่งอาหารทะเลแบบที่ต้องฆ่ามาอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นคนจ่ายเงินเลี้ยงข้าวท่านแล้วก็กินอาหารทะเลนั้นด้วยเราจะบาปด้วยไหมคะกาน่าจะมีส่วนเพราะเราสนับสนุนให้ท่านได้ทำํำเราพาไปร้านหนึ่งเถอะไปร้าที่ไม่ได้ของเขาเป็น อ, อ๋ะค่ะ เม่กีหน้าที่ไม่มีของที่เขาจะต้ ท, ที่ไม่ใช่ของส่วนใช่ที่เราจะไม่ต้องมีส่วนในสายว่าทําให้ค่าถึงแม้เราไม่ได้สั่งเองก็ปล่าเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะเราเป็นคนทางก็พอ่พอพอ่พอแม่ไปนี่แล้วใจนั้สนับสนุนเป็นสปอนเซอร์อะไรเขาเนี่ยอาจจะไม่มีส่วนโดยตรงทีเดียวแต่มันก็มีส่วนสนับสนุนแต่ตัวที่ทําบ้านนี่คือตัวพ่อ พ่อถ้าพ่อเป็นคนสัง่งแล้นคนที่เขารับคําสั่งมาทําตามทั้งสองคนนะคนสั่งทำเองก็ดีสา่ให้เขาทำก็ดีก็ถือว่าบาปแต่คนที่สนับสนุนพาไปนี่อาจจะยังไม่ถึงกับบาปแต่มันก็แบบว่าไปเป็นผู้มีส่วนสนับสนุนส่งเสริมส่งเสริมไม่พ่อไปอาบายคุยง่ายๆเราไม่ต้องการให้พ่อไปอาบายไม่ใช่ค่ะฉะนั้นเราเราก็ ตั้งแต่เลือกร้านเลยใช่ไหมคะอ่าใช่แล้วมันต้องเลือกร้านเลยนะคะพ่ออย่าไปเลย้านนี่มัน <c oughs> อ่า น, นานนี่ดีกว่า <c oughs> พ่อไม่เข้าใจเลยว่เรื่องเรื่องกินของเรื่องเรื่องเรื่องค่าสัตว์เพื่อเป็นอาหารที่มันบาปพอไม่เคยคิดเลยว่แม่อ่อไม่ค่ะพอดีถามเผื่อการไว้ค่ะว่าจะค่ะ ถ้าเป็นชาวพุทธมันก็น่าจะรู้นะเรื่องเรื่องราว่นี้ค่ะหรืออาจจะเป็นพุทนเดทเบรนบ้างก็ช่วยไม่ได้ค่ะค่ะโอเคมีมีอะไรัหมมีแค่คำถามเดียวค่ะโอเคค่ะเห็นไปที่ท่านตอบขอบคุณค่ะเมันฝนเมินฝนมีูุงเทพเชื่อคุณข่าวพันฝนพันสุตาเจ้าค่ะเคยเข้ามา เจ้าค่ะโอเคนานแล้วนะจำไม่ได้เจ้าค่ะก็มีห่างหายไปส่วนใหญโยมจะเข้าเราก็แบบบางทีก็หายไปเป็นเดือนนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่เป็นไรโยมหายไปเพราะว่าคือก่อนหน้า น, นี้ช่วงเดือนธันวาฯก็แต่ว่าหลังจากนั้นมีเข้าเรียนพระอาจารย์แล้วว่าโยมไปนอนโรงพยาบาลมาหลายวันเพราะว่าปวดหลังอนะเจ้าค่ะแต่ว่าไม่ได้มีทุกทรมานใจอะไรนะคะทีหลังจากนั้นออกมาเนี่ยโยมมานั่งพิจารณาแล้วสิ่งที่โยมต้อง ทำเป็นอย่างแรกคือการฝึกสติอ่ะค่ะเพราะว่าฟังธรรมพระอาจารย์บ่อยแล้วแล้วก็คิดว่าเบสิกสุดก็คือฝึกสติก่อนก็เลยไปเน้นฝึกสติมาช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะพระอาจารย์ก็เช้าขึ้นมาก็เริืมตาตื่นก็พูดโธก่อนเลยอะค่ะจนแบบเดินไปอาบน้ําอาบน้ำแต่งตัวแต่งหน้าก็เปิดธรรมะพระอาจารย์ฟังตลอดแล้วก็พยายามจะฟังแบบเช้าบ่ายเย็นเลยอะติดการฟังธรรมะมากแล้วก็เน้นการฝึกสติเป็นอย่างแรกเจ้าค่ะ ทีนี้พอฝึกสติไปได้สักระยะหนึ่งเนี่ยก็มานั่งเริ่มมากลับเริ่มกลับมานั่งสมาธิค่ะจากที่ก่อนหน้า น, นี้จะนั่งได้ไม่นานเจ้าค่ะพอกลับมานั่งอะค่ะแปลกมากเลยคือคือสามารถที่จะนั่งได้นานโดยที่แบบทั้งที่ไม่เคยนั่งได้นานขนาดนี้ค่ะแต่ว่าอย่างเวลานั่งอะค่ะยมจะใช้ธรรมะของพระอาจารย์ในฟังธรรมะพระอาจารย์ก่อนนะคะจ น, จนจนจิตสงบสักประมาณสักยี่สิบนาทีค่ะแล้วก็ปิด ปิดเสียงเราก็จะนั่งต่อค่ะแล้วพอมาดูอะไรทีเออมันผ่านไปแบบเ อ, อ่อรวมไปเสร็จแล้วคือนั่งปวะมาทั้งสีิบนาทีนะคะพระอาจารย์ mm hmm. แล้วมันก็ค่อยๆแบบยาวขึ้นมาห้าสิบนาทีอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ดีดีมากเป็นเพราะเราฝึกสติมาก่อนไงเราหยุดความคิดมาก่อนมันถึงเวลานั่งมันก็เลยหยุดหยุดมดันง่ายถ้าเราไม่หยุดมันมาก่อนเนี่ยมันมาสู้กับมันตอนที่มันนั่งสู้ไม่ไหว นึเดียเดียวก็หวัเลยไปค่ะเหมือนช่วงก่อนอันนี้แบบยี่สิบนาทีก็รู้สึกแบบไม่ไหวแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์ที น, นี้คือคือคือโยมรู้ตัวว่าโยมเป็นคนขาดความเพียรนะคะพระอาจารย์ยมก็เลยแบอกโอเคงั้นเราฝุดสติกันก่อนแล้วกันเนาะพอฝุกไปได้ระดับหนึ่งพอไปนั่นงสมาธิก็เจ้าค่ะพระอาจารย์พอเราเริ่มได้อ่ะค่ะคือโอเคก็จะยังมีความคิดมันแวบแต่เราจะรู้เร็วขึ้นค่ะพระอาจารย์พอเรา พอมันเหมือ น, นมันแว บ, บแ๊หนึ่งอะค่ะจิตเหมือนมันวิ่งตลอดเวลาเลยค่ะมัน<ช> แ, บบแวบก็จะหนูรู้เลยแล้วก็จะกลับมาลมหายใจลมหายใจตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็แวบบแล้วก็กลับมาลมหายใจคือเราจะรู้รู้เร็วอะค่ะพระอาจารย์แล้วเราก็รู้เลยว่าไอ้ที่ก่อนหน้านี้ที่เราเคยนั่งมาแล้วก็เรารู้สึกว่ามันสงบจริงๆไม่ใช่คือเราเราสบรงบอะค่ะแต่<ช>พอ <c oughs> คือเราแยกแยะได้แล้วค่ะพระอาจารย์ว่าตอนเนี้ค่ะแบบเออเรามีสติตลอดจริงๆอะค่ะพระอาจารย์จนแบบ คือมันนั่งไปนานปุ๊บอยู่ๆมันเกิดความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราแบบถึงเวลาเราจะออกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราห้ามใจตัวเองไว้ว่าแบบไม่เรายังไม่อยากออกค่ะคื อ, ค, อคือเหมือนมันมดึงให้เราจะออกค่ะแต่เราเราบอกกับเราเองว่าเรายังไม่อยากออกเอานั่งต่ออีกสักหน่อยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วจะได้นั่งต่ออีกสักหน่อยนึงอะเจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้ามันถ้ามันนั่งต่อไม่ไหวก็เราใช้พุโทโธพุโทโธมาช่วยให้มันนั่งต่อยด้วยส่วนบุญก็ได้ คือมีแบบอย่างเมื่อวานนี้ยค่ะยมนั่งไปประมาณสักสี่สิบนาทีอะเจ้าค่ะแล้วก็พอดีออกมาแล้วก็เอาลูกนอนนอนกับลูกเสร็จมันอยากนั่งต่ออค่ะพระอาจารย์<ม>ก็เลยพอหลับก็ลุกขึ้นมานั่งต่อบนเตียงแบบนั่งทงั้งที่มืดมื่อะค่ะพระอาจารย์แต่ว่าก็อาจจะนั่งได้ไปสักประมาณสิบห้านาทีอะเจ้าค่ะพระอาจ า, ารย์นั่งได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีเชื่อไหมไปยามฝึกสมาธิให้มากๆนั่งได้ทั้งวันทั้งคืนได้ยิด่ดีไม่มีโทษไม่มีปีกใด ค่ะเมื่อกี้ก่อนก่อนที่จะเข้าซูมอะค่ะก็ระหว่างรอเข้าซูมก็นั่งล่วงหน้ามา20นาทีจนจนเลยช่วงเที่ย่ะค่ะแล้วก็ตอนที่ฟังพระอาจารย์สนทนาธรรมยงก็นั่งต่อมาอีกแบบเอ้ยมาดูเวลาผ่านไปอีก35นาทีแล้วเลยเสร็จก็นั่งอีก50นาทีก็ตกใจตัวเองเหมือนกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์คร้วทีเดียวขออนุญาตถามหนึ่งคำถามเจ้าค่ะพระอาจารย์คือการพิจารณาค่ะหลังจากที่เราออกมาจากสมาธิแล้วอะค่ะ ให้เราพริจารณาปัญญาเลยไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ลองพิจารณาปัญญาถ้าถ้าไม่ไม่พิจารณาปัญญาก็ต้องจัระเสติต่อถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าสติเรากำลังมากพอแล้วก็อยากเพิ่มไปทางปัญญาเราต้องมาสดสติต่อมาพุทโธต่อแต่ว่าจะเรียนพระอาจารย์เรื่องหนึ่งว่าอันเนี้คิดว่าอันนี้น่าจะเรียกว่าเป็นวางอุเบกขาได้แล้วค่ะเพราะว่าอโยมได้ฟังคํากล่าวร้ายเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่แบบมัน แปลเจ้าค่ะแบบเป็นระยะเวลาพอสมควรแบบเป็นชั่วโมงเลยเจ้าค่ะเป็นคํากล่าวร้ายที่ถึงตัวโยมเองอะเจ้าค่ะแต่โยมไม่มีจิตออันนี้ด้วยความสัต์จริงเจ้าค่ะไม่มีจิตแบบโกรธเคืองคนที่กล่าวร้ายหรือคนที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้โยมฟังเลยค่ะแบบคือเหมือนเหมือนไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์มันไม่ได้มากระทบเลยอ่ะเจ้าค่ะก็ดีมันอาจจะยังไม่ไม่ไม่ไม่ไม่มาสะเรือนใจหรอกมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กหรือเ่าถ้าเรื่องใหญ่กเนี่ย ก็ใหญ่เหมือนาพระอาจารย์ก็ก็รู้สึกแบบคือก้าวอันนี้โยมพูดได้เลยโยมไม่มีจิตโกรธเลยอะเจ้าค่ ะ, ะพระอาจารย์โอเคแล้ว ก, ก็อย่าประมาทเพราะบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องเบาอยู่ถ้าเปเจนเรื่องหนักหลาเข้าอาจจะอาจจะรับไม่ไหวก็ได้ก็ไ ม, ไม่ไม่เป็นไรก็ดูไปแล้วกันอย่าไปสรุปอย่าไปสรุปว่าเราสามารถรับกับมันได้ ท, ท, ทุกเรื่องนะครับเจ้าค่ะคราที่เราเรียน วันนี้<ะ>เงนีรับได้แต่ผู้นี้ถ้าเป็นเรื่องอื่นเข้ามาจะรับได้ป่ะเจ้าค่ะแล้วเราจเจริญเมตตายัางไงอ่ะคะพระอาจารย์เมื่อเฉยๆไก็ไม่ไม่ไปด่าเขากม่ไปไมไปทะเลาะกับเขาไม่ไปทําอะไร่้าค น, คนที่เขามามาว่ากล่าวเรามาอะไรแล้วก็ให้อภัยเข้าไปเมตตาก็คือการให้อภยัยค่ะอย่างนี้คือการจเจริญเมตตาแบบถือเป็นภาวนายอย่างหนึ่งไหมคะพระอาจารย์ไม่หรอกมันก็เป็นการ มันเป็นการมันเป็นการปฏิบัติอยู่เพราะว่าแรกเป็นการเมตเป็นการปฏิบัติคือการกระทําเราควรอย่ากระทําทุกอย่างด้วยความเมตตาอย่าไปกระทําด้วยความโกรธเกลดกันเวลาเราเล่น ม, มนุษย์เราอยู่ร่วมกันเนี่ยถ้าเรามีความเมตตาจะไม่มีสงคารามจะไม่มีการทะเลาะกันไม่มีการแย่งแย่งชิงอันนี้คือความหมายของความเมตตา ความเมตตาที่มันได้มาจากการมีโอเบขานี่ถ้าเรามีโอเบขามากเราก็จะมีเมตตามากไปด้อยแต่ลองว่มันเป็นมันเป็นมาเป็นพวงอะนำด้วยโอเบขาที่เรามีโอเบคามากเท่าไรความเมตตาเราก็จะมีมากขึ้นไปทั้งเด่นทั้งไหวใช่ไหมใช่เจ้าค่ะถ้าเราปล่อยวางได้เฉยได้เราก็ไม่โกรธเขาแล้วให้อภัยก็ได้เจ้าค่ะแต่แต่ถ้าเราปล่อยวางไม่ได้เราก็จะให้อภัยเขาไม่ได้เราก็จะโกรธเขา ได้เจ้าค่ะงั้ฝึกสมาธิไปเรืเร่องๆแลจะได้อุเบกขาแล้จะได้มีเมตตาเวลาที่เราไปปกระทบกระทั่งกับใครเราก็จะได้ใช้ไม่โกรธเคืองเขให้อภไไัยมาได้เจ้าค่ะพระอาจารย์โยมจะนําสิ่งนี้ไปไปปฏิบัติเพิ่มเติมเจ้าค่ะพระอาจารย์ทีนี้อีกคําถามสุดท้ายเจ้าค่ะพระอาจารย์คือจริงๆแล้วยองก็อยากจะเริ่มที่จะ จะพิจารณาอสุภะค่ะพระอาจารย์เพียงแต่ว่าอันนี้ก็เรียนพระอาจารย์ตามตรงยงก็มีครอบครัวค่ะแบบมีสามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็เลยรู้สึกเหมือนว่าการพิจารณาหรืออสุภะค่ะมันเหมือนแบบจะเป็นอุปสรรคต่อชีวิตคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เอาอาจจะเป็นไม่หรอมันมันอาจจะช่วยก็ได้เพราะบางทีบางทีความอยากของเรามันอาจจะอมากเกินไปมันบางทีมันไม่ได้ตอบสนองก็จะทําให้เราหงุดหง่ไ เป็นช่วงนั้นถ้าเรามีความอยากแล้วมันเกิดไม่ได้รับการตอบสนองแล้วก็เราใช้อสุภาษิตมันอยู่ก็ได้หนูไม่ค่อยมีความอยากค่ะพอาจารย์ถ้าไม่มีก็แล้วไปหนูไม่มีค่ะแต่เหมือนกับบางทีเราเป็นภรรยาอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ทําหน้าที่ไปแต่ก็จะแบบพยายามจะอย่างเงี้ยแต่เราก็สามารถจะเจริญอสุภาได้ใช่ไหมค่ะพระอาจารย์ก็ได้เราเจริญได้ถ้าเราจำมาใช้ไม่ใช้ก็ได้เไม่จําเป็นว่าเราจะต้องออกมาใช้ ค่ะเพื่อแบบว่าเราอาจจะใช้เป็นบางเวลาอย่างนี้ใช่ไหมมาเวลาที่เราคิดว่ามันอไม่ประโยชน์กับเราในช่วงมาเวลาที่เรายังไม่ต้องการจะใช้มันแล้วก็ไม่ต้องใช้มันก็ได้ได้เจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้า่างนั้นโยมอาจจะแต่เดี๋ยวขอแบบกลับไปเอาเรื่องสมาธิให้ดีก่อนดีกว่าเจ้าค่ะพระอาจารย์เอาสมาธิก่อนให้มันเอาสติกับสมาธิให้มันชํนานาญก่อนสามารถเข้าสมาธิได้เมื่อไหร่ก็ได้นั่งได้นานเท่าไหร่ได้นา ให้มันทํานาก่อนแล้วใครมาทางปัญญาต่อไปเลยได้เจ้าค่ะก็อยากจะบอกว่าที่พระอาจารย์เทศมาสั่งสอนมาทั้งหมดอะค่ะที่โยมได้ฟังโยมได้นํามาใช้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็ชีวิตดีขึ้นเยอะมากเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ดีใจดีใจที่ได้ยินให้ ย, ยิน ย, ย่อหน่อยคนคนเทศจะได้มีกํำลังใจแต่จริงเจ้าค่ะอาจารย์โยมเอามาใช้ทุกวัน ยงขัดธรรมะของพระอาจารย์ไม่ได้เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เธได้จิตตามต่อไปนะเจ้าค่ะค่ะเจ้าค่ะน้าโมขอบคุณแม่ขับคุณยายพิธีการครับพระอาจารย์อันนี้กว่ากว่าคุณยายจะขึ้นมาอะไรได้ช้าครับพระอาจารย์แล้วคุณยายก็บนเออเธอฟังพระอาจารย์ไปก่อนเลยคือใจหนึ่งก็อยากฟังพระอาจารย์ใจหนึ่งก็อยากไปนอน พระอาจารย์ก็บอกยายคนหน่อยทนหน่อ ย, นนอยนนอนก็นอนค่ะก็จะนอนครับก็อย่าไปวางข้ามยายมากเกิไปนะเดี๋ยวญายจะไม่โกรธนกรธหนูได้นะเจอแกแล้วค่ะครับชวนยายแล้วถายายเข้ามาเข้ามาไม่มาก็ไม่เป็นไรหมายถึงยายต้องสบายอธัธยาศัยรรครับพระอาจารย์แล้วก็พระอาจารย์ครับ ตอนนี้ที่โรงเรียนอ่ผมมันมีข่าวลือว่าผมเป็นเกย์ครับพระจานทร์พอผมไม่ค่อยสูงสิงกับผู้หญิงไม่ค่อยสนใจผู้หญิงเดินผ่านไม่สนใจไม่อะไรตอนนี้ทุกคนก็คิดว่าผมเป็นเกย์ครับพระจันทร์แล้วก็บอไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นเกย์เราเป็นพระคือคือวันนี้ผมก็อึ้งอยู่นะคะพระจานทร์คือเราลต่แล้วก็เป็นพระแล้วไม่ได้เป็นเกย์ ไม่เป็นไรหรอกใครก็จะว่างไงมันถ้าเราเป็นก็เป็นแต่ถ้าเราไม่เป็นก็ไม่เป็นแค่ธรรมนั้นความเป็นเกย์ก็ไม่เสียหายก็เป็นคนเหมือนกันชอบผู้หญิงชอบผู้ชายมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องของธรรมชาติไม่ต้องไม่ต้องไปกังวลหรอกเรื่องราวเหล่านี้เหมือนเราถนัดใจคนห้อยเราคนถนัด้ใจถนัดใจมันไม่เสียหายตรงไหนหรอกใช่ไมถ้ามันจะไปทํำให้ใครเดือดร้อนเสียหายทำไง เป็นเกย์ก็ไม่ได้ไปทํำให้ใค ร, รก็เนถนื่ <c oughs> อนก็เสียใช่ไหมผัดผัดจานก็ผมก็งงอยู่ครับอยู่อยู่เพื่อนผมมากระซิบปนะอเอแล้วมออาจจะเป็นอาจจะเป็นเพราะเราปฏิบัติทํามากก็เลยเหมือนเกย์นี่ <c oughs> คือไม่ไม่คือผู้หญิงเดินผ่านแล้วไม่ไม่ได้สนใจไงครับก็ตัด <c oughs> แต่ว่าแบบเห็นไปแล้วคราวนี้คือเพื่อนเขาก็สังเกตแล้ว เขาจะชอบเห็นรูปพระรูปเจ้าในโทรศัพท์เขาก็คิดว่าอ๋อผมสนใจตัวผู้ชายไม่สนใจผู้หญิงกอเป็ น, ป น, รนธรรมดาเพราะว่าเขาก็ต้อ ง, ม, ง, องมองไปตามตามตามตามสันนิษฐานของเขา <S> <S <S> <S ไม่เป็นไรเราก็ต้องเมตตาเขาอย่าไปโกรธเขาเมาื่อไรก็ไม่โกรธครับอาจารย์แต่ผมขำว่าคิดแบบนี้ไงตลกมากนะนี่น้ำคำอาจารย์ การที่เราไม่ชอบไม่ชอบน้ำเพศไปแล้วครับเราเราต้องเป็นเกย์หรือเป็นอะไรใช่ไหมแล้วเราบางทีเราเห็นว่าเป็นเรื่องความทุกข์อ่ะการการการที่มีเพศมันเป็นทุกข์ อ, อ๋อเหมันมีแล้วมั น, ม, นมันติดไปแล้วมันยาเสพติดอนะ่ะใช่ไหม อ, อ๋อไม่ได้เสจมันก็จะทุกข์ครับพระอาจารย์แล้วก็พระอาจารย์ครับคือ ผมส่วนใหญ่ผมจะสอบผ่านเวลาที่เพื่อนแกล้เพื่อนว่าแต่วันเนี้ยมีอยู่เพื่อนเขาว่ามแล้วคือเขาว่าแบบว่าเพราะว่าเขาโกรธเลยเราไม่รู้ทั้งนั้นที่เราไม่ได้ทําอะไรผิดอย่างเงี้ยแต่เราก็วางใจเป็นกลางแต่มันก็แอบมีแบบตกใจนิด น, นึงว่าเ hey! ฮ hey ้ยเฮ้ย เพื่อเราพูดแรงขนาดนี้เลยคือตอนแรกเราก็สักแต่ว่าได้ยินแล้วคราวนี้พอมันเริ่มมีสัญญาขันเข้ามาปนแล้วก็ i, เฮ้ยจนะันเฮ้ยทําไมอยู่พูดแรงจังในใจทําไมอยู่พูดแรงอย่างแล้วผมก็เริ่มเป็นห่วงเขาาเงี้ยครับอาจารย์ว่าเฮ้ยคุณพูดแรงนี้มันไม่ได้นะเราเราเป็นผู้ปฏิบัติแต่เราก็ไม่อยากจะไปบอกอะไรเขามากเพราะพูดไปมันก็เหมือนหมาที่แบบสบัดทิง้งไม่สนใจอ ย, อย่างเงี้ยครับอาจารย์แล้วก็ไม่อยากจะ พูดเยอะแต่ว่าเราก็เป็นนึกแบบแอ บ, บเป็นห่วงเขาครับอาจารย์ว่าคฮ้ยเขาทํำนี้มันบาปมากหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับอาจารย์แต่เราจะไม่โกรธเขาครับเราจะมีเมตตาของเขาว่า้เขาทําเพราะว่าเขาไม่รู้อ่ะแต่ว่าเป็นห่วงว่ามันจะเอฟเฟก์กรรมมันจะตามมาอย่างเงี้ยครับอาจารย์ถ้าเขายัางไม่ทำร้ายเราก็ยังไม่เป็นบาป ก็ปล่อยเข้าไปมันเรื่องของเขาเราไปเปลี่ยนเข้าไม่ได้ครับพระอาจารย์แล้วก็ทุกวันนี้ก็พยายามที่จะเจริญสติให้ต่อเนื่องครับพระอาจารย์แล้วก็มันรวมเร็วมากครับพอนั่งไปสักพักแล้วเมื่อไหร่ก็ดูอยู่กับลมหายใจคราวนี้พอถ้ามันมีความคิดหรืออารมณ์ปรุงแต่งอะไรมาเราก็จะเห็นแล้วมันก็ดับเห็นดับไปเรื่อยๆสักพักนึงสักพักนึงมันก็ วูบไปเลยครับอาจารย์มันก็เป็นองี้ทุกครั้งคือมันจะวุบคราว น, นี้พอมันวูบเราก็เห็นละอ๋อโอเคแสดงว่ามันรวมละแล้วก็ดูมีมีสติมีความรู้สึกตัวอยู่ต่อเนื่องกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสมาธิครับอาจารย์แล้วก็ดูเรื่อยๆดูเรื่อยๆดูเรื่อยๆจนมันถอนขึ้นมาเองครับอาจารย์แล้วก็จะพยายามทําให้ต่อครับอาจารย์โอเคต่อไป เรื่องคนหอื่นปล่อยวางจะว่าเราไม่ว่าเราจะด่าแล้วเลือชมเราก็ไปเรื่องของเขาไปยนะครับอรไม่ได้ครับอาจารย์แต่เมื่อเช้าก็ตกใจว่าสงวรอยุดดีๆเพื่อนมาบอกว่าเอ๊นโมอยู่รู้ข่าวเลยยังผมก็ข่าวเรื่องอะไรอ่ะเขาก็ขำกันแล้วเสร็จแล้วมีฝรั่งคนหนึ่งเดินมาหาผมครับอาจารย์ถามว่านโม อายุเก๋ผมก็ฮะ <laughs> ช็อกมาแต่ยูยูมาถามเราเราก็แบบเออผมก็ถามเขากับแอนวันดี้ยูติงคุณคิดว่าไงครับ <laughs> แต่ต่อไปไม่ตอบครับอาจารย์เพราะว่า <laughs> ต่อไปก็ไม่มีประโยชน์ <laughs> ชต่อไป <laughs> มันยาว <laughs> มันจะมองเราอย่างไรก็ไปห้ามเขาไม่ได้ครับอาจารย์แล้วเดี๋ยวนี้ มันมันยิ่งไม่สนใจมันยิ่งมาตรงผู้หญิงนะครับพอเขาคิดว่าเราเป็นเกย์เขาก็คิดว่าเราเป็นเพื่อนสาวเขาก็ยิ่งมาสนิทสนมกับเราเราก็แบบคืออุตส่าห์พยายามจะไม่ยุ่งก็ต้องเจองเงี้ยป่าจ้ะคืออุตส่าห์พยายามแบบโอ้โอโกะคงกระดูปลําไส้ตับไตไส้พุงมันก็มามก็หนีไม่พ้นนะป่ะจ้ะก็ดีจะได้เป็นข้อสอบแล้วผ่านหรือเปล่า ครับอาจารย์ข้อสอบหนักขึ้นทุกวันเลยครับอาจารย์ได้ครับอาจารย์ผมจะมันรายงานผลครับแต่มั่นใจในความสามารถครับว่ายังไงผมต้องผ่านให้ได้ครับต้องผ่านให้ได้เอามาใกล้กันาดไหนก็มันก็แค่คงมาดูครับผมมีพระอาจารย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวครับผมขอบคุณพระอาจารย์ครับแล้วก็ผมก็เห็นด้วยกับน้าเอกนะครับว่าพระอาจารย์เป็นพระอาจารย์ที่ เป็นพระที่มีเมตตาสูง ม, มากๆเลยครับรับฟังปัญหาแล้วก็ให้คำปรึกษาที่ดีมากเลยครับผมโอเคสบอบคุณพระอาจารย์คุณสุพัฒนาหมอวินชนเรเบรยกล่าววสการพระอาจารย์นะคบวันนี้ก็ได้ทำคาตอบหลายๆคำตอบอีกอันหนึ่งที่จะจะขออนุญาตถามพระอาจารย์เรื่องการที่ว่าจ ะ, จะจะหยุดทันทีค่ะ ในกรณีอย่างอย่างคนณตายที่ที่ว่าโดนโดนคนตําหนิหรือโดนว่าอย่างเงี้ยค่ะใช้ใช้ธรร ม, มะยอมดุดเย็นอันนี้ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะเขาจะ <c oughs> ได้ใช้แทนเจ้าค่ะเลยยอมคนยอมยอมแล้วก็จะด่าเลยจบก็ไปห้ามกันได้เลยนะเจ้าค่ะแต่คือแบบพอพ อ, พอมันกระทบอย่างเงี้ยค่ะความเสีใยใจความน้อยใจมันเกิดทันทีแล้วมันก็จะทําแสดงว่าเราไม่ยอมไงแสดงว่าเราไม่ยอมอืมเราไม่ก็คือต้ง ต้องใช้วิธียอมอย่างเดียวยต้องยอมยอม อ, อยู่แล้วก็เย็นมันทำไม่เสียใจไม่เฉยเฉยไปไค่ะของเขาเขาจะชมเราเขาจะด่าเราเราห้ามเขาไม่ได้เขาจะรักเราเขาจะเกลียดเราเราห้ามเขาไม่ได้ต้องการยมยยมจะเพียนไปทำตรงนี้ให้ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นตัวหนึง่ง ท, ที่ทําทําร้ายจิตใจอยู่ต้องค่ะตัวตําหนิเดียรเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่ชอบไม่มีคชอบการตําหนิเดียร์ไป เจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เพียรสติกับสมาธิได้ได้มากขึ้นการมีสมาธินี่ไม่ได้แบบไม่ใช่แบบว่านั่งนั่งนั่งธรรมดานั่งด้วยการรู้สึกตัวอันนี้พยายมเพียรตรงนี้อยู่เจ้าค่ะพระจักรอ่ได้ต้องมีสติถึงจะนั่งได้ถ้าไม่มีสตินั่งไม่ได้เจ้าค่ะค่ะพยายามโฟกัสตินั่ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาตื่นขึ้นมาเราพูดโทไปเลยเจ้าค่ะพอลืมตาก็พูดโทเลยเจค่ะพรักอ่ได้ เจ้าค่ะคองตามค่ะาาอาจารย์สอนเลยแล้วค่ะเช่าที่เราอยู่คนเดียวนี่เราปฏิบัติได้ไม่ต้องรอไปวัดกันนะอย่างเช่นมาเนี่ยเราอบน้ำอาบท่าล้างห น, น้าไปมนให้เราอยู่คนเดียวเนี่ยเราสามารถปฏิบัติสติได้อย่างได้ตลอดเวลาเจ้าค่ะเจค่ะสาธุเจ้าค่ะประยงขออนุญาตเสริมเสริมคุณเอกกับน้องโนโม น, นะเจ้าค่ะพระจ่าอ่าพอเราจะเป็นแฟชั่นได้เป็นแฟชั่นก่อนรับสารแล้วรับสาร อจะข่าอันนี้อันนี้โยมพูดด้วยความความเอ่อเรียกว่าอะไรอะค่ะเอ่อจริงใจหาผจญก็เลยชื่นใจมากมายแบบในวันนี้อิมอิม่มกินลูกยอวันนี้กินอาหารลูกยอเยอะไม่ใช่เป็นกําลังใจของโยมด้วยวอยากหาผจญเป็น <Okay. S 1> สาธุจจเจ้าพะก็ขอให้ปฏิบัติกันแล้วกัน <Okay. S 2> ถ้าอย่างใดเรามีกําลังใจก็ขอให้ปฏิบัติตามที่พูดที่สอนนอกเวลานางให้ทราบ ว, ว่าเป็นยังไงกับเรา จ้าค่ะจะาค่ะสาธุขอขอบคุณมากๆบปฏิบัติบูชานะเจ้าค่ะโอเคคุณยินดีจะ Can ซัสอเมรตอนนี้หนาวระอสบายสบายวันนี้วันนี้อากาศสิบเจ็ดค่ะท่านอาจารย์แต่คืนนี้เริ่มมาอีกแล้วค่ะความหนาวอืออะไรบ่ารอบนะก็เหมือนมาจากเท็กซัสมาจากเท็กซัสไหมเท็กซัสก่อนแล้วค่อมาถึงเรา ครัท่านอาจารย์คือหนูก็ดูจากคุณสุภาพตาเหมือนกันนะคะพวกเรื่องอากาศก็จะคล้ายๆกันอะไรนักหนาก็ไม่รู้ค่ะเรื่องอากาศแปลปวนเยอะค่ะท่านอาจารย์ครับเป็นเรื่องของธรรมชาติเราไปบังคบงับมันไม่ได้การอยู่ก็มันไปล่ยนแล้วมันไปค่ะถ้ า, าจะ ก็ไม่มีคำถามค่ะเดวิดฝากความคิดถึงเหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์แล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ที่นิวยอร์คค่ะแล้วก็อากาศก็หิมะเต็มเลยท่านอาจารย์ใช่แล้วค่ะตอนนี้ที่ทานิวยอร์อคทานเหนือหิรรรมะตกเยะค่ะท่านอาจารย์เขาโทรศัพท์มาฝากความคิดถึงท่านอาจารย์แล้วก็บอรชทเดิมค่ะนารคุะคขอบคุณนะทใจลูกหลานนานๆค่ะท่านอาจารย์ ไปที่เอลเอนะแคนซัสวิ่งข้าไปเอลเนันดีาอยู่ลอสแนเจลิสกับนย่สักการค่ะพระอาจารย์ก็วันนี้ลูกไม่มีคำถามค่ะเพราะว่าได้คำตอบมาเยอะแล้วค่ะจากพระอาจารย์ตอนนี้อยู่ที่ตัวลูกค่ะอยู่ที่ตัวลูกที่จะต้องปฏิบัติเยอะๆอะค่ะตามพยยา อสติให้เยอะสติเนี่ยเป็นตัวที่จะผัก ด, ดันทุกอย่างให้เคลื่อนไหวขับเคลื่อนมีสติก็จะมีสมาที่มีปัญญาตามมาใช่ค่ะตอนนี้ลูกก็พยายามฝึกสติฝึกฝึกก็ดูร่างกายอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะ อ, อาจารย์ดูอาการสารีสองยังไงร่างกาย ไ, ไม่ว่า จ, จะเป็นของใครนักเกิดอาการสารีสองขึ้นม า, ออ า, าแล้วมันจะทำให้เห็นว่าคนที่เข้าบ้า ปาอาจารย์ันบ้านนันบ้าเลยแฮมมันไม่มลูกไม่รู้ตัวันเองเป็นอะไรใช่ไหมค่ะพ่อาจารย์ลูกไม่เอาแล้วค่ะลูกไม่เอาไม่เอาของพวกนี้แล้วค่ะพ่อาจางทำเผ่าทําพร้อมทําอะไรวุ่นวายไปหมดเลยใช่ค่ะว่าตอนนี้ลูกกําลังเก็บของก็เตรียมจะขายบ้านเตรียมจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะรู้เลยค่ะว่า เหล่านี้มันบ้าจริงๆเลยซื้ออะไรเยอะแยะเป็นหมดเลยแบบมันเป็นภาระมากมากเลยค่ะพระอาจารย์ก็มันเป็ น, ค, น, นความสุขเลมันเป็นความสุขสําหรับคนที่มีความหนุแล้วลูกไปหรื้อของบางอย่างเยอะมากๆเลยค่ะคือไม่ได้ใส่เลยยังมีแท็กติดอยู่แล้วก็รองเท้าอีกไม่รู้เยอะแยะไปหมดเป็นความทุกข์มากเลยค่ะพระอาจารย์เพราะว่าลูกต้องฉิบของอะไรเงี้ยค่ะแบบ แล้ว<อ>คิดว่ า, <อ>าถ้าเกิดเอาไปแจกทานไปก็ไดแจกทานไปนรือขายแล้วเอาไปทําดินก็ได้ค่ะลูกแจกไปเยอะมากเลยค่ะพระอาจารย์ตอนนี้เหลือน้อยน้อยแล้วค่ะก็คือเหลือแบบในสิ่งที่แบบก็จําเป็นอะไรเงี้ย<อ>แต่ว่าตอนลือนี่มันมันเยอะมากเลยค่ะพระอาจารย์แล้วลูกคิดว่าถ้าเกิดลูกกลับไปอยู่ที่เมืองไทยลูกจะไม่ซื้ออะไรอีกเลยค่ะพระอาจารย์ ใช่ตแก่พอพอพอกินพออยู่พอใช่ใช่ค่ะบ้านก็จะปรับเป็นห้องโล่งๆไม่เอาอะไรแล้วค่ะไม่มีตู้โชว์อะไรใดใดทั้งสิ้นค่ะพระอาจารย์ใช่ถูกต้องนแล้วปฏิบัติไปแล้วต่อไปมันจะไม่ค่อยอยากจะมีอะไรภายนอกใช่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ค่ะพระอาจารย์รู้สึกแบบมันมันเป็นสิ่งที่มันมันเป็นของนอกกายมากๆค่ะพระอาจารย์ไม่ความหลงกันกิเลส ใช่ค่ะพระอาจารย์แค่ตัวร่างกายนี่ก็ยังเบื่อเลยค่ะพระอาจารย์ที่ต้องดูแลมันเนี่ยที่ต้องดูแลแบบต้องหาต้องหาอาหารต้องอะไรอีก็ยังรู้สึกแบบเป็นภาระเลยค่ะพระอาจารย์ใช่ค่ะพระอาจารย์ใช่ค่ะพระอาจารย์ก็ไม่มีคําถามอะไรละค่ะพระอาจารย์ก็แค่ว่ามารายงานก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ลูกก็ ก็เจริญสติเยอะๆแล้วก็นั่งนั่งให้มากขึ้นก็ไม่กำหนดเวลาแล้วค่ะก็ปกติก็จะนั่งเช้าเย็นกับตรงนี้กลางวันทว่างก็นั่งนะคะพระอจ า, าอจารย์แล้วก็ค่ะพอาจารย์แล้วก็บางทีคือถ้ามันจะรวมมันจะสงบถึงจะ น, นิดนิดนึงหรืออะไรลูกก็เฉยๆค่ะไม่ได้คาดหวังมากค่ะพระอาจารย์ใชถ้าไม่คาดหวังแล้วมันจะได้จริงจริงค่ะได้ค่ะพระอาจารย์ ทำไปไม่น่าที่เห็นดูเรา่็ดูไปพูดท้อก็พูดท้อไปส่วนจะรูบจะสสงบไม่สงบมันเปนเรื่ที่เราไปบังคับมันไม่ได้ค่ะแต่ค่ะพระอาจารย์แต่ก่อนลูกจะคอยคอยตั้งท่าจะรอะแต่ตอนนี้ลูกไม่สนใจค่ะรู้ว่าคิดว่าเออรอยังไม่มาใช่จริงค่ะว่าถ้าเกิดมันสงบเราก็จะแบบรอสงบอะไรเงี้ยก็ดูมันไปแล้วก็คือถ้ามันจะถอนก็ก็ถอนมันไปแล้วเราก็จะคิดว่า ไม่เป็นไรเราเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราก็ทําใหม่อย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ดีดีมากทำต่อไปสาธุพระอาจารย์อรรมยามีไหนครับสําเร็จให้นั่นใช่ค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ลูกคิดว่าลูกต้องมีอิทธิบาทสี่ค่ะโอเคสาธุค่ะพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์พาดขันแข็งแรงค่ะสาธุก็ยังดูพระอาจารย์วิทบาบทุกอาทิตย์ค่ะทุกเล้า ดูชใช่ค่ะดูทางยูท e f เฟ e b o ๊ k ดูหมดเลยค่ ะ, <Okay. S 2> ะกาบสาทุพระอาจารย์ค่ะขอยท้าอาจารย์ท้าขันแข็งแรงค่ะอ่าอ่าคุณชาธิสาเอนคญี่ปุ่นโตเกียวกลาบนรมัสการ์ค่ะพระอาจารย์อืมไรสวาย ด, ดีค่ะช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานทาได้ทำสมาธิทุกคืนรู้สึก นิ่งขึ้นเยอะเลยค่ะพระอาจารย์แต่ยังไม่ยังไม่นิ่งตรงที่เวลาลูกลูกชายอะค่ะทำให้ปลี้เหมือนกับวเวลาเราสอนแล้วเขาแบบเต่อต้านหรือว่าเขาดื้อขึ้นมามันจะมีแอบแอบอารมณ์อารมณ์อารมณ์มขึ้นบ้างพอเราพออยากอยากให้เขาทำตามที่เราสอนนะค่ะก็เลย เอ๊อมันอุเบกขาไม่พอหรือว่าเราเมตตาไม่พอหรือยังไงกันแน่คะพระอาจารย์ขาดปัญญาขาดปัญญาขดญญาขดปัญญาคะ่ะปัญญาคือเราไปบางทีเปลี่ยนเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้ไเป็นอนัตตาแล้วสิ่งที่เราทํานี่คือคือทําถูกแล้วใช่ไหมก็คือต้องสอนใช่เรามีหน้าที่ก็มีหน้าที่สอมารถสอนไปแต่ถ้า ถ้าเขาลาไปเปลี่ยนได้ก็มันก็เป็นประโยชน์ของเราค่ะคือก็นั่งพิจารณาคิดว่าเอ๊ะทาไมเวลาคนอื่นทำให้เราโมโหหรือว่าทำให้เราขัดเคืองเราไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเวลาลูกดือ้อหรือว่าลูก<น>ไม่ฟังเราแล้วทำไมเราอารมณ์ถึงขึ้นแรงขนาดนี้ยังไงคะความ อ, อยากของเราความอยากของเราขับเขาไม่มากค่ะ คนที่ไม่ได้อยู่ใกล้เราไม่อยู่ห่างไกลแเราความอยาก của, ของเรากับเขาไม่ค่อยมากก็่และ ไ, ไม่ค่อยรู้สึกสถิทกันเท่าไหไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ได้มีเมตตากับเขาใช่ไหมคะไม่ใช่มีเมตตาแต่มันเมตตาเกินมากเกินไปเกินเหตุเกินผลไป <c oughs> อยากให้เขาดีเป็นความเมตตา <c oughs> แต่มันเกินเหตุเกินผลไปลเป็นการเป็นการเป็นทุกข์มา การเป็นความคาดหวังเกินไปอคาดหวังเกินไปขาดปัญญาว่าเขาก็มีสละธรรมะมีความสามารถที่จะรับรูจ้จากเราได้ในระดับของเขาอืมนะมีหน้าที่สอนก็สอนไปค่ะแต่จะบางคนจะต้องใช้เวลามากกว่าเขาจะเข้าใจว่าถึงที่เราสอนเขานั่นคืออะไรอืมค่ะะอาจารย์อย่าไปหวังอย่าไปอยาก มีหน้าที่สอนภาษาไปเดินไปห้ามห้ามไล่ก็ห้ามไปอะย่างเง๋ค่ะพระอาจารย์แล้วก็มีอีกคําถามนึงค่ะพระอาจารย์ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาผอิญได้เข้าไปฟังอคําคําเทศนาหรือวาเทปเก่าๆของหลวงปู่หลวงปู่บัวเกตนะคะแล้ว ก, รกว็รู้สึกว่ารู้สึกว่าซาบซึง้งใช่ไหมคะซาบซึง้งแล้วก็ เห็นว่ามันเป็นแนวทางเดียวกับที่พระอาจารย์สอนนะคะก็คืออย่างธรรมะของพระอาจารย์ที่ฟังย้อนหลังหรือว่าฟังสดก็ตามมันสามารถนามาใช้จริงได้ทันทีแล้วก็เข้าใจได้ง่ายแต่ที่ฟังอของหลวงปู่โบเกต์ก็คือรู้สึกทราบซึ้งแล้วก็รู้ว่าเหมือนแบบเป็นแนวทางต่อไปอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เหมือนกับตอบคําถามในใจเราได้อ่ะคะ่ะทีนี้สงสัยว่าอย่างเนี้ย มันถือว่าเป็นอะไรนะคะวิจิกิจฉาไหมคะความสงสัยอะไรอย่างนี้ไหมคะฟังก็เข้าใจมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่วิจิกิจฉาถ้ามันเข้าใจกแสดงว่ามันไม่สงสั ย, ย อ, อ๋อหมายถึงถ้าอย่างฟังพระอาจารย์ด้วยฟังหลวงปู่ด้วยอย่างนี้เราไม่ได้ไม่ได้ถือว่าสงสัยในพ ร, พ, พระพุทธธรรมพระสงฆ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ อ, อ๋อไม่เราเราก็อยากจะฟังหล า, ากหลาไรูปแบบเนี่ย แนะนะา้วค่ะจะมาเปรียบเทียบดูอืมคือในความคิดของหนูเนื่านั่งคิดดูว่าอ๋ออย่างฟังเหมือนกับคนแล้ววัตถุประสงค์อย่างเนี้ยค่ะของของพระใจะฟังแล้วเหมือนเอาไปแอปพลใช้ได้ได้เลยทันทีบางอันอ่าที่ฟังของหลวงปู่ก็อ๋อเป็นอย่างนี้ถ้าเรามีเขาเรียกว่า อ, อะไรนะคะปฏิบัติมากขึ้นไปเราคงจะรู้เข้าใจได้หมด แล้วก็รู้เหมือนว่าเป็นแนวทางไปอย่างนี้อย่างนี้เหมือนกับคนแล้วว่าถุประสงค์อย่างนี้ก็คือไม่ได้ถือว่าเรามีหลายอาจารย์หรือว่าหลายตำราใช่ไหมคะพระอาจารย์คือจามีหลายก็ไม่เป็นไรเพราะบางทีเราเขาอาจจะมีนวเรามีเรามีเรามีจริยนิสัยบางทีอาจจะถูกกับอาจารย์ตรงนี้อาจจะไม่ค่อยถูกกับอาจารย์ตรงนี้ก็ได้ เราสามารถเลือกได้มันน่าอาหารที่เราไปกินนะมันก็เป็นอาหารเหมือนกันนะกินแล้วมันก็อเหมือนเลือกเมนูนี้ร้านนี้เมนูร้านหนึ่งใช่ไหมคะไม่ถือว่าผิดใช่ไหมคะไม่ไม่ผิดหรอกถ้ามันเป็นประโยชน์กับเราเราสามารถเอามาปฏิบัติแล้วทำให้ใจเราสงบได้นะหรือว่าใช้ได้ค่ะเขาเหมือนกันเคยได้ยินที่ไหนมาว่า อย่าอย่าอย่ามากอาจารย์หรือว่าอย่าอ่านตำราหลายอย่างก็เลยเอ๊ะถึอย่างนี้เราถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์หรือเปล่านะหลังสงสัรค่ะมันมากเกินไปก็ไม่ดีใช่ไหมค่ะนก็ต้องมีเห็นไม่พอทั้งที่เรอยากจะอ่านเปรียบเทียบอย่างน้อยคนจะอ่านของพระพุทเจ้าด้ยของพระเจ้าเนี่ยเป็นหลักที่เราจะสามารถเอามาเป็นมาตรฐานวัดคําสอนของครูบอาจารย์รูปอื่นได้ว่าสอนขัดจากพุที่พุทธเจ้าสอนหรือไม่ ค่ะงม้นไปอ่านประสูตเช่นเนี่ยที่่าญยมจัดหนังสือพระสูตถ้าห้าพระสูตรมาพิมพ์มาให้่าญอยมได่อ่านกันอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ามาจัด ก, กับประวัตนาสูตรมงคลนสูรนนตรอนัตตลกาสูตรอะไรแบนี้มีห้าประสูตรด้วยกันอ๋อค่ะไปดาวโห ล, ด, ด, หลดก็ได้ดาวโหลดใน เดินทางคุณจุ๊บก็ได้คุณจุ๊บถ้าต้องการก็จะสามารถเมลไปให้ได้ส่งไปให้ได้สองทีอคู่ไปให้ไดบขอบคุณมากเลยค่ะค่ะเดี๋ยวลองแชทกับคุณจุ๊บดูจุ๊บแอดมิ่ได้ค่ะขอบคุณรุ่งหน้าค่ะคุณโจขอบคุณค่ะพระอาจารย์กราบค่ะที่คนสามยาสี่ยาแปรงอะไรยอมหยุดเย็นแล้วก็ยิ้มเลยแต่ไม่ยิ้มอีกตัวเลย แลคุณเจ้าค่ะหนูปฏิบัติบูชาพระอาจารย์นะเจ้าคะ่ะแล้วก็ทำมาเรื่รยอยๆตั้งแต่กลับมาจากเชียงรายอะคะ่ะตอนแรกจริงๆตารางหนูจะไปทางไปพาแม่ไปเที่ยววัดนะคะแต่ว่าตารางมันก็เปลี่ยนก็ไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันมันเป็นมันเป็นอุปสรรคอะคะ่ะพยายามพอกลับมาปุ๊บที่พักก็นั่งสมาธิเลยคะ่ะพอกลับมาก็เจอ โจทย์มีกันบ้านเยอะเจ้าค่ะแต่ว่ามันก็ผ่านจากที่ทํางานมาได้เราก็เลยรู้ว่ามันก็เหมือนเป็นเครื่องเป็นเครื่องพิสูจน์อะเจ้าค่ะว่าอุเบกขามันมัน ค, ค่อยๆกลับมาแล้วเจ้าค่ะแต่เามาื่อวานนี้วันพระนะเจ้าค่ะหนูหนูลางงานไว้แล้วค่ะแต่ว่าเพ อ, เอิญว่าภาระหน้าที่มันไม่เสร็จสิ้นถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะตีโพยตีภายเสียดายเจ้าค่ะแต่ว่าพอไปไม่ได้เจ้าค่ะหนูก็ ก็แอบฟังที่ทำงานแต่ว่าถ้าเวลาเรามีตารางต้องคุยกับกับกับพนักงานนะคะหนูก็ปิดแล้วหนูก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปฟังก<ม>ันก็แล้วกันค่ะแต่ว่าที่<ม>ที่ฟังแรกๆ ก, ก็จะรู้เลยค่ะว่าหนูว่าโง่มากค่ะเพราะว่าหนูยังหาสตางค์อยู่ค่ะ<ม> <laughs> ก็เดี๋ยวเดี๋ยวหนูรอรอกลางล่มนะจ๊ะค่ะ พอกลับมาบ้านปุ๊บมาวันนั้นหนูก็กล่าว่าเอ้ยเดี๋ยวตอนเป็นเข้าสซุปสามเกล็ดก็ไม่ทันนะคะว่าอยู่สามปุ่มเลยจ้ะค่ะพอกลับมาบ้านสี่ปุ่มแฟนเขาไ็เบอกว่าให้ไปรีบอาบน้ําแล้วเขาถามว่านั่งสมาธิไหมหนูบอกว่ายังไงก็ต้องนั่งอย่างังไงก็ต้องนั่งเขาก็พอระหว่างที่หนูอาบน้าเสร็จเจ้าค่ะหนูก็เห็นเขาเข้ามาแฟนเขานั่งสมาธิก่อนแล้วแล้วก็เห็นเขานั่งนานค่ะพอหนูก็นั่งนั่งสมาธิต่อพอเสร็จพูกเขาก็เลยบอกว่าแม่อยาก อยากไปนั่งสมาธิในป่าไหมเดี๋ยวเขาจะพาไปหนูก็บอกอ้าวทําไมถึงแบบทำไมถึ ง, ถ, งถึงพายอมพาไป <c oughs> เขาก็บอกว่าเห็นหนูนั่งสมาธิแล้วหนูมีความสุขเขาก็เลยบอกว่าเขาอยากจะพาไป <c oughs> หนูก็เลยคิดว่าอันนี้ค่ะเดี๋ยวจะเป็นโอกาสดีแล้วค่ะที่พระอาจารย์เคยบอกว่าถ้าไม่ต้องไปวัดแต่ว่าไปที่ที่ปริกวิเวกค่ะก็เดี๋ยวจะลองที่นั้นที่ท่บอกก็เป็นวัดเหมือนกัน เจ้าค่ะขอบคุณธรรมะพระอาจารย์จากพระพุทธเจ้าค่ะหนูว่าผูเวกขาหนูเริ่มเข้ามามากขึ้นแล้วเจ้าค่ะอืคดีนะคะขอบพระคุณเจ้าค่ะอไปที่อาจารย์ผมเวลาวันนี้ยะรอนานเ่ยนะเข้ามาช้าหน่อยตื่นไหมกรับนวัตกรรพระอาจารย์ค่ะโอ้นุกูลรอแล้วก็รับหลับไปไหมหลับไปแล้วมาแล้วค่ะ ไม่ต้องผูกเขาเ้ามาแล้วพระอาจารย์จริงๆจะเข้ามากราบ เ, เฉยๆค่ะก็เลยได้นั่งฟังแต่ต้นเลยเข้ามาสายไปเดียวค่ะคนรอเยอะคนเข้ามากราบคิวยาวใช่ะคยาวพรเช้าที่เดริสก็มาทำบุญภรรยาเขาอายุครบเจ็ดสิบปีโอเห็นรูปเห็นรูปที่ถ่ายกับพระอาจารย์ส่งเข้ามาในลาาาไลนะ์เขาส่งอะไรเนี่ย ค่ะวันนี้ก็มากราบน้อมสักการค่ะแล้วก็ฟังธรรมตั้งแต่ต้นนะคะจนถึงเดี๋ยวนี้ okay, ปกติ4ี่ทุ่มก็ก็กราบลาแล้วค่ะ <c oughs> ได้เวลา <c oughs> ได้เวลาพอดีนี่เปรี้ยวแย่พอดีกราบน้อมสักการะก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ันอาจารย์ไปที่อเมริกาต่อ Maryland, USA a เชลิ่งทอนาอาการน้อมสักการค่ะพระอาจารย์วันนี้โยมก็ไม่มีอะไระค่ะมันยังไม่มีเรื่อง อไม่มีข้อสอบอะค่ะมันก็เลยยังอยู่ได้นิ่งๆอยู่อะค่ะพระอาจารย์ก็เตรียมตัวไว้แล้วนะต้องมีต้องเจอข้อสอบวันใดวันหนึ่งต้องมีแน่ๆแบบที่เราไม่ได้ฝังมาไม่คิดว่าจะแล้วเราก็แพ้พระอาจารย์คะโยมก็ปฏิบัติช่วงนี้เอเหมือนกับมันเวลาที่เราปฏิบัติเราควรจะปฏิบัติให้ได้นานที่สุดใช่ไหมคะพระอาจารย์อย่างสมมติเวลาเรานั่งเนี่ยเราก็ควรจะนั่ง ทำให้มันเต็มที่เลย ม, มันกินข้าวกินให้มันอิ่มเลยสวๆกินแค่ขึ้นเดียวทำไรใช่ไหมเลากินข้าวเรากินขึ้นเดียวป่ะอาจารย์ค่ะเพราะว่าเหมือนอาทิตย์ที่ผ่านมาเหมือนอาทิตย์นี้เขาเปลี่ยนเวลาค่ะแล้วก็ลูกก็ตื่นสายต้อ ง, งเปลี่ยนฮะเปลี่ยนเ ม, ามาื่อานเช่นนี้อาจารย์โยมก็เลยต้องคือตอนเช้าก็เลยไม่ได้ปฏิบัติคือแทนที่เราจะได้ปฏิบัติทั้งชั่วโมงก็เหลือแค่ยี่สิบนาทีอย่างเงี้ยค่ะเพราะโยมต้องขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียน มันก็เลยกลายเป็นทีละน <ye fått tornado disaster> ิดทีละนิดทีละนิดก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่อ่ะค่ะก็ไม่เป็นไรก็ทำเท่าที่เราจะทําได้อย่าไปอย่าไปทุกข้ามัก็แล้วกันค่ะพระอาจารย์แต่ก็ยังปฏิบัติบูชาพระอาจารย์เช่นเดิมนะคะอย่าทราบเถอะขอบคุณจิ้คุณจิ้มยังไม่เข้ามาเลยไม่อยู่ที่ไหนเดี๋ยวย่องไปตามดีกว่าไม่ต้องตามไม่ต้องตามเดียวจะเดี๋ยวจะเดือดร้อนกันจะเข้ามาไม่ได้ แอนฝาดกับพระอาจารย์แทนจิบแล้วกันนะคระับจะฝาดะปดทักทายด้วยกันแล้วกันถ้าเขาไม่เข้านะอ่าค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณค่ะโอเคคนแอสตาเชียงใหม่ลูกลูกเข้านอนมอนาแล้วเลยอ่าสวัสดีครับพระอาจารย์ลูกอีกคนนึงไปบ้านยายอีกคนนึงยังไม่เข้านอนครับอมีอะไรไหมก็ มีมีครับมีครับพระอาจารย์ก็มีคืออยู่ในหนึ่งในสี่ที่วันนี้เขาบอกกับพระอาจารย์ว่าที่เขาได้ฟังพระอาจารย์แล้วเขามีไปได้ปฏิบัติโน่นนี่นั่นมาผมผมก็อยู่ในหนึ่งกับทุกคนเหมือนกันครับ <Okay. S 2> ผมก็ได้ฟังของพระอาจารย์มาสักจริงๆแล้วก็ฟังมาจากปีห้าหกหกศูนย์ฟังมานานแล้วครับแต่มาเข้มข้นก็ได้สักปีกว่าๆสองปีนี้ เราก็ได้เข้าวัดปีนี้เราก็เข้าวัดทุกวันพระพระที่แล้ววันมาพระก็อยู่สักสามวันแล้วก็ปฏิบัติอย่างที่พระอาจารย์บอกนั่งผมนั่งหกชั่วโมงครับนั่งจากนะครับโออาจารย์มันมีอยากมันอยากอยากอยากจะดูว่าโทรศัพท์เมื่อไหร่จะหมดเวลาแล้วทีมันอยากมากจริงๆครับอาจารย์แต่คือก็อยู่ในอรยาบทคือนั่งนะครับนั่งไม่นั่งสบายก็อยู่ในนั่งสมาธิแต่ก็คือเมื่อเราก็ยืดขารครับ ออได้ไมเป็นตอนนี้ช่วคับต่ความอยากก่อนครับสู่ความอยากโอ้มันแบบสุดครับแต่แต่แต่ก็ผ่านไปได้ครับอาจารย์ผ่านไปได้ก็ดีถัาไปความอยากมันจะเบาลงต่อไปมันจะเบาครับผ่านไปได้ปุ๊บลงมาอ่าพระที่วัดก็ถามว่าอ่าจะดื่มน้าปานน้าหรือดื่มอะไรหรือเปล่าอช่วงนั้นผมลงมามันมันอิ่มครับมันไม่ไม่ดื่มแต่ไายใจมเลยหายใจหมด ไม่อยากครับแต่ก็คือไปเราก็ไม่ไม่เคยดื่มน้ําหวานส่วนใหญ่จะน้ําเปล่าอย่างเดียวอย่างที่ออาจารย์แนะนำมัครับน้ําปั่าอย่างเดียวกินข้าวเมื่อเช้ารอบเดียวแล้วก็วน้ําเปล่าแล้ว น, นั่นก็เป็นน้ําเปล่านี่ใช่ไครับมีนรำชาก็เป็นเรื่องของกิเลสเรื่องการการกระทบธแต่มันก็มีเมื่อวานครับเริ่มไม่อยากครับ เริ่มไม่อยากไปเพอาจารย์มีความกิเลสคือมันไม่อยากเขาก็ไปมันไม่อยากถ้ามันเข้ามันไปถ้าสิ่งที่จะเป็นจะต้องทำต้องต้องอยากไปตามใจนครับแต่ก็ไปครับเมื่อวานก็ไปก็ไปเพิ่งกลับมาวันนี้ก็ดีครับครับแต่น้ที่พระอาจารย์คำนัดมาท้ายเราเข้าวัดกันให้เราไปปฏิบัติกันแต่ก็มันดีครับพระอาจารย์ดีมากเลยแต่ก็ยังอ่าสติยังน้อยยังไม่ ไม่ข้ามอุเบกให้ไม่ข้ามเวทนาครับแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรครับก็สมมุกว่ากว่าไม่เป็นไรแต่มันก็ได้นิ่งได้นิ่งครับมีความตื่น ต, ต้องฝึกสติให้มากขึ้นให้บ่อยใช่ครับโอ้ก็ค <c ười> ือเข้าไปอย่างอ า, อาทิตย์แล้วมาคาบบูชาผมอยู่สามวันก็เต็มเต็มเลยครับเต็มกําลังครับอาจารย์ <c ười> คือไม่เตือนคือคือเต็มทุกวันนี้อยู่บ้านก็เต็มกําลังอยู่แล้วครับเต็มเท่าที่ว่าเรา เราทําได้ขนาดไหนเราก็เพียรอยู่ในทุกอริยบทที่เราลึกได้คร enfin ับได้ดีมีลูกสาวมามีลูกสาวมาถามอะไรบ้างไมถามเลยเอาให้นะครับเปิดน้าสมาธิบ้างก็แบบนั่งสวดมนต์บ้างก็าบบอาการสายที่สองยังจำได้ใช่หมโอเคแล้วอย่าอย่าทิ้งไม่พยายามท่องทุกวันให้มัน อันนี้ใส่ค่ ะ, อะโอเคนะถ้าไม่มไก็ไปต่อนะครับพระอาจารย์ครั บ, บ, รบรร ก, บกับพระอาจารย์ครับครับคุณบอสนะคุณบอสท้าววัจจ์ขอท้าบอสกับนรัตการพระอาจารย์ครับเดี๋ยววันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้เข้าไปปฏิบัติอ่าเข้า ไ, ไปนะาเดี๋ยวอเไปช้าไปใชบครับ โอเคไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรครับก็ปฏิบัติก็ตามดูอยู่ครับได้ครับุณน้องที่ไปด้วยไม่ได้ไปไม่ได้ไม่ได้อยากจะไปเห็นเห็นแก่ว่าอาจจะมานะครับเห็นแต่อยังยังไม่คอนเฟิร์มแต่ว่าเห็นแก่ว่าออาจจะไปขอภรรยาเพราะก่อนหน้าเหมือนแกไปปึ้งไปของวัชรานันทิศกอดเลยครับอก็เลยว่าเดี๋ยวแกจะจตัดตารางกันเพราก็ยัง เก็นเกนดี๋ยวเดี๋ยวพี่เช็คตาางดูครับน้แต้สติวหน้าแต่สติครับผมครับแม่มันมั้ต่อไปครับแมเยืนแจ้งปฏิบัติอะไรกันครับครับแม่ไปที่คุณบาดีวุฒิการกำลังข้อค่ะเป็นยังไงวะดิรายงานการปฏิบัติค่ะหลวงพ่อหนูนั่งงานขึ้นรวดเดียวสามชั่วโมงค่ะหลงข้อ ข้ามได้แล้วก็รู้สึกดีรู้สึกสบายใจแล้วออกมาก็พิจารณาสร้างกายอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อรู้สึกติดใจมันดีค่ะหลวงพ่อรู้มองมองไปถึงใจตัวเองถ้าเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าเออมันธรรมดาแต่ว่าปัญหาหรือว่าความทุกข์มันก็มีอยู่รอบตัวเราแต่เราก็มองว่ามันมันไม่มีอะไรอย่างเงี้งยค่ะเราจะไป่ตุกเกกับมันเยอะ ะพ่อแล้วก็พอพอเราไปทำงานในหน้าที่ปัจจุบันอะไรของเราเนี้ยคับถ้ามีเวลานี้ติดติดหรือว่าใจของเราเนี้ยมันจะนึกลึกอยากจะปฏิบัติอย่างเงี้ยค่ะพ อ, อมีเวลาว่างก็จะทำแล้วหนูก็เ อ, อ่อเวลาปฏิบัติทุกครั้งขั้นต่ำของหนูคือหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปค่ะพ่อ ไปเรื่อยๆนั่งนะนั่นให้เยอะๆให้มันสงบเยอะแล้วเวลาออกจากความสงบก็อยาจะมีปัญญาเรพิจารณาร่างกายไหค่ะก็พิจารณาผมอะไรอย่างนี้ค่ะเรื่อยๆไปอย่างนี้ทางการทางดีสองปามองให้มันทะลุเข้าไปใต้ผิวหนัได้ๆค่ะหลวงพ่อแล้วก็มองมองเห็นว่าจริงๆอย่างแผนเราหนังเราเนี่ยมันไม่ได้มีความสวยงามมันมองไปมันก็ เหมือนปิดบางสิ่งที่มันไม่สวยตอนอยู่ข้างในหลวงพ่อของศพเขามอกใช่ค่ะหลวงพ่อแล้วก็เราก็ต้องมาเป็นภาระคอยดูแลคอยเลี้ยงคอยหาอะไรให้อย่างเนี้ค่ะหลวงพ่ อ, อแต่ว่าเราก็มองว่าเออมันเป็นธรรมดาอย่างเนี้ค่ะหลวงพ่อทําเราอย่าไปหลงมันได้เราอย่าไปหลงไปรักมันได้ค่ะหลวงพ่อแล้วก็ช่วงช่วงมาฆ่ะพิสาค่ะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ที่อาทิตย์ก่อนที่หนูไปอยู่วัดมาหนูก็นึกนึกอยู่ในใจว่าเดี๋ยวจะต้องมีมีเรื่องมีอะไรต้องมาพูดหนูหนูคิดแล้วก็เออคิ ด, ค, ดคิดไว้แบบเนี้ยค่ะหลวงพอ่อแล้วพอกลับออกมาจริงๆแม่ก็มาบอกว่าเนี่ยมีคนมาพูดว่าเนี่ยที่บ้านน่ะยุ่งวุ่นวายกับเรื่องงานการอะไรเงี้ยทําไมลูกสาวหายไปไหนพี่น้องทุกคนมาช่วยหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะหลวงพอ่อ หนูหนูก็บอกแม่ก็ไม่เห็นเป็นไรรู้อยู่แล้วว่าคนต้องมาพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อหนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าโกรธหรืออะไรนะคะหนูพ่อก็บอกบอกที่บ้านแล้วเกาบอกว่าแม่ไม่ต้องสนใจอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็อธิบายว่าเขาเขาไปตงังค์ทำแล้วเขาจะไม่มาวุ่นเรื่องชุระอะไรที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อคือใจใจเราไม่ได้ไปทุกข์กับ คือเราเรารู้อยู่แล้วว่าที่บ้านเขาวุ่นวายเรื่องทาํามาค้าขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อนู้แต่หนูก็คือหนูก็ตัดไปเลยคำของพ่อหนูก็ไปอยู่วัดอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ไม่ได้สนใจคือคือมันมันเหมือนต้องต้องปล่อยไปเลยค่ะหลวงพ่อไม่ไม่ต้องไปทุกข์ไม่ต้องอะไรเงี้ยค่ะหลอเรื่องนี้คบพูดของคนมันมีเอะแยะเลยมัมีทั้งชมมี่ทั้งนำเด็กเป็นเรื่องธรรมดาแล้วพ่อ S <S คือเขาก็พยายามมาพูดว่าทําไมลูกไม่มาช่วยอะไรเงี้ยทําไมลูกปล่อยแม่ปล่อยน้องอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหลวงพ่อแต่หนูก็ไม่ได้ไม่ได้ทุกข์ไม่ได้อะไรคือรู้อยู่แล้วแล้วก็เราก็ ร, ากรู้สึกเฉยเฉยเราก็ทําหน้าที่ของเราแล้วก็คือเหมือนถ้าเป็นอย่างแต่ก่อนนูอาจจะวุ่นวายว่าเออไม่ไม่อยากให้ใครมาพูดมาอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่คะ่ะหลวงพ่อมันดีใจมันไม่ได้ทุกข์ค่ะหลวงพ่อแล้วก็จะมุ่งเน้นมีความ คิดอย่างเดียวว่าทํายังไงถึงจะปฏิบัติให้ได้เยอะๆมันมันจะคอยส่อง ท, ที่ใจเราอะค่ะหเพราะว่ามันมีความรู้สึกเพราะเรายังมีรักชังกลัวหลงเหมือนที่หลวงพ่อสอนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันจะเอาเหมือนสํารวจใจอยู่ตลอดเวลาค่ะหลวงพ่อดีดีทำไปค่ะปล่อยวางทุกอย่าง ยอมยอมให้เขาดา่ายอมให้เขาพูดเขาว่าอยากให้พูดอะไรก็ปล่อยเขาพูดไปยอมแล้วหยุดหยุดตอบเพื่อจหยุดตอบต้านแล้วใจเราก็จะเย็นเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ไม่มีอะไรแล้วทุกใครก็ไม่มีอะไรมันมันสุขมันก็ไม่มีอะไรนะคะหลวงพ่ อ, อดเดี่ย ว, ว่าตายกันหมดคนพูดก็ตายคนฟังก็ตายเราจะพูดไปทําไมแต่ว <ขอ S 1> ่าหลวงพ่<ข>อค<อ>่ะ แล้วแล้วช่วงนี้หนูก็จะเน้นเน้นขึ้นปฏิบัติมากมากเลยค่ะหลวงพ่อมีเวลาหนูจะขึ้นนั่งห้องพักที่บริษัทหนูก็เต็มที่เลยค่ะหลวงพ่อช่วงไม่ใช่เวลางานนะคะช่ว ง, ช, วงช่วงที่ยังรออยู่เนี้ยค่ะแล้วก็ทำปไปมีโอกาสเ ม, มื่อไหร่เริบมทำไปเหมือนไปขุดทองการไปนั่งสมาธิไปปฏิบัตินี่เป็นการขุดทองคุณสมบัติกันล่ะค่ะขุดอริยสมบัติกันเด้าใจไหม อ่ะแล้วเราก็สํารวจใจตัวเองว่ามันมีความสุขใจค่ะหลวงพ่อที่ที่เราหันมาทางเนี้ค่ะหลวงพ่อวันนี้ก็ไม่มีอะไรรับวค่ะรายงานประมาณนี้ค่ะหลวงพ่อสาธุสาธุค่ะขอบคุณค่ะเรื่องคนวิไลต่อคนวิไลได้ยินไหมอ่าหนึ่งรถึงถึงห้าไม่มาเดี๋ไปที่คนนัสิตาต่อกันนะ คุณนัทิตาต่นยกันได้ก็จะมีบอกให้อันเนื้ออันเนื้อมาอันเนื้อโอเคน้ำกลับน้ำมาส ก, การพุทธเจ้าข้าอ่นนออกก า, า, าอมาอยู่ที่ไหนจ๊ะอยู่สระแก้วพุทธเจ้าค่ะโอเคมีอะไรไหมโยมโยมมันดูเเข่งๆไปหรือเปล่าเจ้าค่ะเยังยังไงล่ะ ปฏิบัติดูเเข่งเข่งไหมเจ้าค่ะไม่รู้เสดไม่ได้บอกว่าปฏิบัติยังไง <c oughs> ก็ภาวนาภาวนาะพุทโธพุทโธก็ทุกวันเจ้าค่ะแล้วก็สวดมนต์บ้างเจ้าค่ะเออยังไม่เคข่งหรอถ้าทำาั้งวันทั้งคืนยังเรียกว่าเคข่งใจมันดูมันดูกับเพื่อมไหมเจ้าค่ะ หมายถึงยังไงใจมันใจมันมันมันดูคิดอะไรไหมเจ้าค่ะยงก็อืมก็ย้ายมันคิดแสงถ้ามันคิดแต่พุทโธพุทโธไปแล้วก็เออ่ใจมันอยู่ข้างซ้ายหรือไม่เจ้าค่ะไม่หรอกใจไม่ใช่หัวใจคนละคนละคนละอย่างนะหัวใจมันอยู่ในร่างกายแต่ใจมันไม่ได้อยู่ในร่างกาย ใจเหมือนครอร่างกายเลยเจ้าค่ะไม่ต้องเป็นสนใจมันอยู่ที่ไหนนะขอให้มันสงบอย่างเดียวเจ้าค่ะก็ปฏิบัติไ ป, าาไปเรื่อยๆได้ค่ะให้อยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆจําะไรก็พุทโธนั่งนัน่งสมาธิกบพุทโธไปเวใจก็จะสงบแล้วก็จะมีความสุขเจ้าค่ะโอเคนะไม่เป็นไรใช่ไหมเจ้าค่ะ สาธุเจ้าค่ะไปที่คุณลัลิตาต่อนะยังไหมลิตาเชิญอีู่ที่ไหนชื่อพิกาห์ไปให้ตัวมันได้่ะน้องกลับในมรสการพระอาจารย์เจ้าค่ะครั้ทงที่แล้วพออาจารย์ให้ไปปฏิบัติทีนี้โยมติดผรรอ่านานแล้วเจ้าค่ะเหมือนกับว่าชอบความเย็นของลมเหมือนกับจะไม่ชอบ ปฏิบัติในห้องที่มันทึบๆแต่ว่าจะชอบเดินเวลามีลมแล้วก็ชอบความเย็นกับความนุ่มเจ้าค่ะทีนี้พอเราเดินจงกรมไปแล้วเราชอบความเย็นแล้วอย่างนี้เราต้องทอํายังไงต่อคะมันก็จะรู้แล้วว่ามีความเย็นแล้วมันก็ชอบแล้วมันก็จะอยู่ในลมอย่างนั้นนะเจ้าค่ะคือไม่ต้องไปสนใจเรื่องความเย็นให้มันสนใจอยู่กับพุทธชแล้ว อ, อยู่กับลมหายใจก็อ๋อเจ้าค่ะแล้ว เรื่องเรื่องที่แบบสัมผสัสแล้วเกิดเกิดทำอารมณ์ชอบไม่ชอบก็เห็นไว้แค่นั้นใช่ไหมเจ้าคะเวลาฝึกสติเวลาทำสมาธิเราอย่าไปสนใจอะไรให้ให้สนใจอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวให้หยุดหยุดความชอบไม่ชอบอยู่ใดทุกอย่างอย่าไปสนใจเจ้าคะ่ะแล้วทีนี้ทีนี้เวลาที่ทําอย่างอื่นก็จะพอหายใจไปได้ด้วยเจ้าคะ่ะแต่ว่าเวลาที่พูดแล้ว จิตไม่อยู่กับลมแล้วเวลาพูดนี่ทำยังไงไม่ให้จิตออกนอกกายเหรอเจ้าคะเวลาที่เราต้องพูดเจ้าคะก็จะมีสติู่การพูดไปอ๋อหมายถึงว่าอยู่กับปากแล้วก็อยู่กับความคิดที่พูดด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ให้รู้เวลาเราจะพูดไปแล้วสิ่งที่ิราทว่สิ่งที่เราจะพูดนี้วควรพูดหรือไม่ควรพูดรือควรจะหยุดเจ้าคะ่ะ แล้วทีนี้ครั้งที่แล้วที่เล่าพระอาจารย์เรื่องนำมเมล็ดมะขาม อ, อกมาจากวัดแล้วนำมาปลูกเป็นต้นเจ้าค่ะหนูจริ ง, รงๆหนูได้ยินเสียงเป็นเสียงหลวงตาบอกว่าให้เอามะขามมาคืนหลวงตาต้นนึงหนูก็เลยเอาไปปลูกหนูไม่ได้นึกนึกได้ว่าจะผิดศีลหรือเปล่าเหมือนเป็นการโกหกพระอาจารย์ หนูเลยต้องมาขอเขามาพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะทีนี้การที่เราตอนนั้นไม่อยากบอกพระอาจารย์ว่ามีเสียงมาเสี่ยงหลวงตามไม่แน่ใจว่าเป็นนิมิตหรือโรคจิตเวทเจ้าค่ะทีนี้การที่พูดว่านึกได้ก็เลยต้องไปปลูกเป็นต้นแล้วเอาไปคืนอย่างนี้ก็เป็นการโกหกใช่ไหมเจ้าค่ะไม่รู้เหมือนกันคนเป็นคนพูดคนนั่งรู้พูดความจริงแ้พความจริงอ๋อแล้วทีนี้ หนูหนูเคยมีโรคจิตเวทยอยู่ตอนเรียนเรียนหมอเจ้าค่ะแล้วทีนี้ทำให้ต้องออกมาตอนเกือบจบปีห้าแล้วอีกประมาณไม่กี่วันก็จะจบทีนี้ตอนนั้นเออ่พอออกมาสักพักก็ดีขึ้นมากจนหมอให้หยุดยาแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ทานยาอีกเลยแต่ก็มันจะมีความฟุ้งแล้วก็ไปบอกหมอว่าอยากนิพานแล้วก็ไปเล่าหมอว่า ตอนนั้นอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าเวทนาไม่มีจริงเลยไปเล่าหมอไปสัมผัสอนัตตามาแล้วน่าจะเป็นเป็นไปบอกหมออย่างนี้เลยว่าเป็นเป็นสภาวะนิพพานชิมลองที่ท่านพุทธทาสสอนแล้วหมอเขาก็เลยจะให้หนูกินยาอีกหนูก็เลยไม่ยอมกินเพราะว่านึกว่าตัวเองพูดถูกแล้วก็แค่อวดอุตริเฉยๆเจ้าค่ะแล้วคิดว่าหมอไม่เข้าใจธรรมะทีนี้เออ หนูก็เลยแยกไม่ออกระหว่างติดนิมิตกับโรคจิตเวทเจ้าค่ะเราจะแยกออกได้ยังไงหรือเจ้าค่ะทีนี้ทีนี้ก็เลยมีสองคำถามเพราะว่าก่อนที่จะพบพระอาจารย์ครั้งที่แล้วคุณแม่พาไปพบหลวงตาณนระงศักขีนานโยตอนนั้นก็ทานยาแล้วประมาณออสองสองอย่างไม่ไม่เยอะเจ้าค่ะทีนี้พอหลวงตาบอกว่าติดนิมิตปับ สมมติว่านี่มีสักเก้าสิบนี่หายไปหมดเหลือห้าเล้วค่ประมาณสาวันนี่หายไปเกือบหมดเลยถ้าเราไม่นึกมันขึ้นมาเองอีกแล้วก็ทีนี้ก็ไปหาหมออีกครั้งหนึ่งแล้วก็เพิ่มยาด้วยเพราะว่าหลวงตาในโะรงสัาบาบอกให้เพิ่มยาแล้วก็หยุดปฏิบัติก็รล้ทีนี้หายหายหมดเลยเจา้าค่ะคือป ก, กติขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าฟุ้งน้อยลงมากด้วยแต่ว่าถ้านับระยะเวลาที่ออกนี้ของยาจากครั้งที่เดียวที่เจอพระอาจารย์จึตอนนี้เหมือนจะหายฟุ้งจากการหยุด สุดปฏิบัติแต่ตัวหนูอ่ะหนูไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบเยอะที่บ้านเจ้าค่ะก็เลยเดินหลวงตาบอกว่าให้ขยับเยอะๆหนูก็เดินเดินเดินแล้วพอเดินปับ๊บมันก็กลายเป็นอยู่กับกายก็อยู่กับลมแต่หนูก็ตั้งใจด้วยเพราะว่าเพราะว่าอยากปฏิบัติเจ้าค่ะก็เลยมีคําถามว่าอย่างนี้ก็เป็นการโกหกหลวงตาด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกัน มันเราพูดแล้วก็ต้องรู้เสยว่าเราพูดความจริงหรืม่พูดความจริงเหมือนเรากราบหลวงตาแต่เรายังไม่เคยสัญญากับหลวงตาว่าเราจะไม่ปฏิบัติแต่ว่าจริงๆก็เป็นการแอบพ่อแม่ปฏิบัติ ด, ด้วยนะค่ะแล้วก็อย่างมาคุยอย่างมาอย่างมาเข้าซูมตอนนี้ก็ต้องแอบคุณพ่อคุณแม่มาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลวงตาก็สั่งแล้วว่าให้หยุดหยุดปฏิบัติกับหยุดหยุดอ่านธรรมะทุกอย่างก่อนอย่างนี้ก็ เป็นการโกหกใช่ไหมเจ้าคะ่ะอ๋อมันเป็นการโกหกแล้วเป็นการขัดขืนคําสั่งไม่ทําตามคําสั่งคำสอนอันนี้คือไม่ใช่การโกหกแต่เป็นการขัดขืนคำสั่งใช่อ๋อเจะแล้วทีนี้เดี๋ยวเอาเอาคำถามอยูนะเพราะว่าต้องมีต้งอะไรเข็รออยู่บ้างครัพรอาจารย์เจ้าคะแล้ว เราจะแยกยังไงระหว่างแล้วเราติดนิมิตเพราะว่าหลวงตาแก้ให้พอหลวงตาบอกว่าเป็นนิมิตปั๊บแล้วพอไม่น้อมนึกปับป๊บมันหายไปหมดเลยกับกับโรคจิตเวทเนี่ยเจ้าค่ะหูแววภาพหลอนพวกนี้เราจะแยกได้อย่างไรหรือเจ้าค่ะก็ไม่ต้องแยกมันมาก็รู้ว่ามันมาไม่มาก็รู้ว่าไม่มาโอ้เจ้าค่ะถ้าเรารู้ถ้าเรารู้เรามีสตริรู้มันก็ไม่เป็นจิตเวทถ้าเราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแล้วก็นมันก็เป็นจิตเวทได้ คณะเองโอเคนะขอให้พระอาจารย์สุภาพแข็งแรงเจ้าค่ะอย่าทรขอให้หนูมีความสงบนะขอบคุณโอเคโอเคไปที่ท่านต่อไปใครอะไรหมดหรือยังคุนคุณจอยจอยหนูว่าจะเข้าได้หนูเข้าช้าอ่าไม่เป็นไรก็ยังก็ยังให้เข้ามาอยู่ ค่ะเราไปยีเปนงนล้วพกเข้าหลายคนเยอะนี่เกืจะหมดเวลาแล้วอีกสิบกว่านาทีมีอะไรไหมมีก็มีค่ะแบบแต่ว่าก็พยายามสู้เองให้ได้ค่ะมีมีตลอดยอมหยุดเย็นวิธีสู้ทางธรรมก็คือแพ้เป็นพารชนะเป็นบมานนะค่ะแล้วก็กมีคำสอนของอาจารยาอา์อย่าไปเอาชนะใครนะยอมแพ้ดีกว่า คนคนที่แพ้นี่แหละเป็นผู้ชี้ชนะชนะกีเดียวค่ะอ่ะแล้วเดี๋ยววันพาไปใส่บาตรนะคะโอเคต้องเลือกจังหวะที่เราเดินนะคนเดียวนี้เราไม่ได้เดินตลอสายหนูยังงงอยู่เลยค่ะหนูเอ้าหนูเห็นพาอาจารย์ฝังมือเรียกหนูดีชัวชัวเงินตอนตอนต้นกับตอนปลายเนี่ยเดินแล้วตอนช่วงกลางค่ะมา นัดกันแล้วว่าเดี๋ยวเราต้องเอาต้นต้นเพราะว่าลูปไปโรงเรียนด้วยก็เลยแบบต้องต้นต้นหน่อยโอเคค่ะอาจารย์ดีกว่านะสวัสดีค่ะอาจารย์ที่คนพิมพ์ตอบพิมพ์มีที่ไหนคุณพิมพ์อยู่บอวีนค่ะาอาจารย์เออครั้งแรกนะครั้งแรกค่ะอป็นไงมีอะไรไหมไม่มีอะไรค่ะอยาก ลองเข้ามาหาที่พึ่งทางใจค่ะเอ่าแล้วเป็นยังไงดีไหมดีค่ะโอเคพยายามฝึกสตินั่งสมาธิด้วยนะจะได้จะได้มีที่พึ่งเอาเย่างเดียวยังไม่พอต้องปฏิบัติ ด, ด้วยนะเข้าใจไหมเข้าใจค่ ะ, ะไม่ยากหรอกพูดโทรพูดโทรไปอ่อ นอนตั้งแต่พูุ่้เช้าเลยตื่นขึ้นมาตื่นเ้ า, เาขึ้นมาลุกหนึ่งตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธคอยคุมความคิดไปอาบน้ำนั่งหน้างแต่งภากับพุโทโธพุโทโธแต่เนื้อแต่ตัวกินข้ากับพุโทโธไปจะชีวิก็ตามเมื่อต้องต้องต้องไปทํางานเมื่อไปทํานเราให้คิดนะ้องทำหนึ่งแลจะมีความสุขโอเคนะงั้นจะไปที่ ที่ท่านอื่นตอขอบคุณค่ะโอเคคุณชุวงวันนี้เฟซบุ๊กเม อ, ไไ ม, มอะไรไหมมีัำถามเทไหร่นมัสการค่ะตอนนี้มีเข้ามาทั้งหมดเจ็ดคำถามค่ะพระอาจารย์คะค่ ะ, ค, ะคำถามแรกค่ะจากคุณสิริพร น, นะคะขอสอบถามพระอาจารย์ค่ะ ว่าสูญเสียคุณพ่อจากโควิดได้ประมาณห้าเดือนแล้วยังทำใจไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตคิดถึงแต่อดีตว่าเราน่าจะทําได้ดีกว่านี้เราน่าจะมีโอกาสตอบแทนคุณพ่อมากกว่านี้แต่มันก็สายไปแล้วอยากให้พระอาจารย์เมตตาชี้ทางสว่างค่ะก็มันผ่านไปแล้วนะเรากลับไปเรากลับไปไปเปลี่ยนมันไม่ได้เหมือนเหมือนวิดีโอที่เราถ่ายไมได้มันก็ เวลามันใช้แี้วมันก็มันก็เป็นเรื่องนั้นะเรื่องที่มันเราถ่ายไปเราจะไปเปลี่ยนมันไม่ได้นะงั้นเราก็ถ้าอยากจะคิดถึงมันเราคิดว่าเราผิดพลาดก็เอาเอามันเป็นบทเรียนสอนเราว่าต่อไปเร า, เาก็อย่าอย่าทำอย่างนี้พนะยายามทําทอะไรได้รี่ทําเสียนะอันนี้ก็ยังไม่สารไปนี่ยับเรนี้ก็ยังทําบุญส่งบุญส่องบุญส่วนไปให้คุณข้อได้อยู่นะทำในส่วนที่เราทําได้ ส่ที่เราทําไม่ได้ก็ปล่อยมันไปก่อนถ้าเวลาคิดถึงก็ดีแล้วไม่สบายใจก็ให้ใช้พุโทโธลบมันออกไปนะคิดถึงก็ดีกับพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปพอท่าพุโทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวความคิดในอนดีมันก็จะหายไปข้อที่สองค่ะขั้นถามต่อไปค่ะในช่วงวันหนึ่งวันหนึ่งพอตื่นขึ้นมาแล้วใจผมถึงแปรถนาที่จะให้ถึงเวลาช่วงกลางคืนที่จะนั่งเจริญภาวนา เป็นเช่นนี้บ่อยๆเกือบทุกวันเลยครับจึงกราบเรียนหลวงพ่อสุชาติอภิชาโตว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้ทําไมถึงเป็นเช่นนี้ครับสาธุครับพ่าเรามีฉันทามีความยินดีมีความยินดีกับการปฏิบัติเหมือนกับเวลาที่เรามีแฟนเรายินดีเราก็จะคิดถึงแฟนอยาจะเจอแฟนนี่เราเราตอนนี้เรามีแฟนเราคือการปฏิบัติเป็นแฟนของเราเราก็คิดแต่แต่เรื่องปฏิบัติอย่างเดียว ก็ดีเขาเรียอิทธิบาทสคำถามต่อไปจากน้องลินหลินค่ะวันนี้พิจารณาต้นไม้เจ้าค่ะต้นไม้ไม่มีจิตใจไม่มีจิตใจหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์และปล่อยออกซิเจนให้สรรพสัตว์หนูมองเห็นเส้นเต็มต้นไม้เหมือนเส้นเลือดมนุษย์แค่ไม่มีผิวหนังห่อหุ้มพอาจารย์คะถ้าเราทําตัวเหมือนต้นไม้กิเลสและความอยากก็จะไม่เกิด ทำตัวเหมือนต้นไม้ชีวิตก็สบายมากหนูคิดถูกไหมเจ้าคะเหมือนอยู่เฉยๆเปิดตามองเจ้าคะ่ะรี่กว่าเหมือนต้นไม้มันก็ไม่เหมือนนกะ็เราก็เราเรารู้เรื่อ ง, ร, องราวต่างๆแล้วเราก็เกิดมีความอยากต่างๆขึ้นมาเหตุการาที่เราจะทำให้เราเหมือนต้นไม้เราต้องมาปฏิบัติเพื่ อ, อยุดความอยากให้ได้ คำ ถ, ถามต่อไปจากคุณอมันก้าค่ะแยกธาตุแยกขันธ์สัมผัสสัมผัสความพอและสมควรปฏิบัติอย่างไรต่อครับก็ปล่อยวางปล่อยวางขันธ์ปล่อยวางร่างกายปล่อยวางเวทนาอย่าไปทุกข์กับเขาร่างกายจะเป็นยังไงครับถ้ารักษาไม่ได้ดูแลไม่ได้มันจะตายเขาปล่อยมันตายไยเวทนามันจะปวดมันจะเจ็บก็ห้ามมันไม่ได้แล้ว ก็อยู่ตัวกันไปพยายามฝึกไปเรื่อยๆสองอย่างนี้คำถามต่อไปจากคุณอนุสรค่ะขอโอกาสครับการปฏิบัติในสภาวะที่ตัวเรากับตัวรู้แตกต่างกันเช่นไรในเมื่อไม่มีตัวตนที่แท้จริงต้องน้อมนําปฏิบัติเช่นไรถึงจะถูกต้องของพุทธศาสนาครับอ๋อแล้วก้องปฏิบัติไปแล้วา่าใจสงบใจสงบแล้วตัว ตัวตนก็หายไปเพรตัวตนเันเกิดจากการปรุงแต่งของใจพอใจสงบตัวตนก็หายไปเนื่องจากตัวรู้ตัวเดียวคำถามที่สองจากคุณอนุสรเช่นกันนะคะการสร้างเหตุในการปฏิบัติให้อยู่กับการเป็นกุศลตลอดวันควรทําเช่นไรที่ถูกต้องขอรับสาธุครับเมื่อนอนก็ให้ฝึกสติมปจะนั้นพุทโธพุทโธไป คำถามสุดท้ายจะคุณวาสนาค่ะขอน้อมกราบขอโอกาสครับถ้าจะปลิกวิเวกจะต้องออกจากห้องเรียนจะต้องเรียนจบด้วยการปฏิบัติแบบมั่งคงและจะมีปัญญาขึ้นมาเองไหมครับกระผมความจําไม่ดีครับอ่านทมฟังทมถามทำแล้วก็จําจไม่ค่อยได้จะได้กลับมาถามคำถามเดิมก็หลายครั้งขอน้อมกราบขอพระอาจารย์เมตตาด้วยครับออปัญญาเกิดจากการที่เราศึกษาอยู่เรื่อย เช่นคิดถึงเรื่องนะั้นแรื่อนี้อยู่เรื่อยๆจิดจนกระทั่งมันจําได้มันก็จะไม่หนึ่งถ้ายังจําไม่ได้ก็ต้องคิดอยู่บ่อยๆเช่นความแก่ครับเจ็บความตายอาการท า, า, ารุณสัตเนี่ยนะต้องคิดอยู่เรื่อยๆวันต่อไปเราไมจะไม่เห็นเรียกว่าเป็น <6. S 1> ปัญญ า, าโอเ ค, อ เ, ค, ควเวลาก็หมดพอดีสําหรับคนนี้อป็นคนนึงเข้าว่าคนสุดท้ายหนึ่งคนนึงใช่ไหม ช่เจะน้ำกาวพระจานทร์เจ้าค่ะยมเข้าไม่ถ่ายเจ้าค่ะเพิเข้ามาได้เจ้าคะมาจากที่ไหนอ๋อสุโขไทยเจ้าค่ะพระจานทร์อ๋อไปได้ไปได้เจอค่ะเพิ่งเพิ่งพาเด็กเด็กนอนไปเจ้าค่ะยมไม่มีอะไรเจ้าค่ะพระอาจาร์จะมากราบพระอาจาร์เฉยๆเจ้าค่ะยมก็ปฏิบัติเรื่อยๆย่างเรียนเป็นการค่อยๆค่อยปล่อยให้คนเข้ามาทีละคนสองคน อันนี้เราจะกะจะเล่กประมาณสี่ชั่วโมงอ๋อเจ้าค่ะจะหมดเวลาแล้วตอนนี้โยมเข้าอุเบกขาได้ง่ายแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์โอเคแล้วออกมารักษามันได้หรือเปล่าออกมามันก็ไม่ไม่ก็เพื่อนแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็พิจารณาทุกอย่างเป็นไปไามัก็เพื่อมใช้ใจรักไปช่วยได้น้ใช่ไหมค่ะโอเคดีมากโอเคนะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ โอเคสำหรับคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลากอขอให้ท่านตรงนำามาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปขพ้นิยมพิจารณาใครปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรม ย, ยิ่งขึ้นไปเท อ, อ